ขมาปิโตสะเทวาังขชมาโนสิวังรำมังขตาดามังนามามิหังวานานิขมิโยตันหาวาจังพาสติอุตตมังวานานิภาปนัธาญา วายมันตังนามิหังอนัตสาสกัสตานังอัสาสังเทติโยชิโนอนันตาคุาสัมปันโนอันตะคามิงนมามิหังราโตนิพพาณสัมปเตราตโตโยสัตตโมมจเน รัมมาเปติทัสเตโยรนาจตังนามิหังหันยติปาปเกดเมหังสาเปติปรังชนังหังสามาณังมหาวิรังหันตาปังนามิหัง สังคตาสังคเตธรรมเมสัมมาเทศสิปานินางสังสารังสังเวคาเตนติสัมพุทธันตงนามมิหังมาตาวปริตโตสตวานะทเทปะมะทิตโตมานิโตเดวสังเคหี มานาคาตังนามิฮังพระสัตธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วทรงยังมนุษย์กับทั้งเทวดาทั้งหลายให้บรรลุด้วยข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีภาคเจ้าผู้มีธรรมบรรลุแล้วพระองค์นั้น พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงออกจากวานะเครื่องร้อยลัดกล่าวคือตันหาแล้วโดยสิ้นเชิงทรงกล่าวพระวาจาอันเลิศไว้เพื่อประโยชน์แก่การดับไฟคือวาณนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีภาคเจ้าผู้มีความเพียรพยายามพระองค์นั้นพระชินเจ้าพระองค์ใดโปรดประทานความอุ่นใจแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีความอุ่นใจเลย พระ อ, องค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพระคุณนาหาที่สุดมิได้ข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ อ, องค์นั้นพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ได้ทรงยินดีแล้วในนิพพานสมบัติพระองค์ทรงยินดีแล้วในอันปลดเปลื้องสัตว์ออกจากมหันตทุกข์พระองค์ได้ทรงยังสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ให้ยินดีในการเปลื้องทุกข์นั้นด้วยข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกร้าวพระผู้มีพรภาคเจ้าพระองค์ใดทรงกําจัดธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปเสียได้ยังชนอื่นให้ร่าเริงในธรรมมันเป็นกุศลข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพรภาคเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมทั้งที่เป็นสังฆตธรรมทั้งที่เป็นอาสังฆตธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายโดยถูกต้องตามความเป็นจริง ทรงพิคาต ส, สังสารวัตรเสียได้ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระ อ, องค์นั้นผู้ตรัสรู้ด้วยพระ อ, องค์เองพระผู้มีพระภาคเจ้าพระ อ, องค์ใดทรงถนอมสัตว์ทั้งหลายดังมารตาถนอมบุตรพระ อ, องค์ใดทรงกำปราบเสียได้ซึ่งคนกระด้างคนเยื่ยยิงพระ อ, องค์ใดอันหมู่เทวดาและมนุษย์ทรงนับถือแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้กำจัดมานาเสียได้ขอนอบน้อมพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นด้วยขอนอบน้อมภริยาสง์เจ้าทั้งหลายด้วยความเคารพเอื่อเฟื้อขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเออในวันนี้ก็เป็นวัน วันที่เท่าไหร่แล้วในวันที่สามหรือสี่สี่แล้วเหลืออีกกี่วันเหลืออีกสามวันก็จะสบายแล้วคิดอย่างนั้นไหมเหลืออีกสามวันเอ อ, นอตอนนี้การประพฤติปฏิบัติของพวกเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยเมื่อวานนี้จากที่พวกเรา ที่มาไปสอบอารมณ์กันนยนยก็เห็นแต่ละท่านก็บางท่านก็ไปได้ดีเนาะบางท่านก็ขึ้นขึ้นลงๆง ล, งลหลายๆท่านมันมีประเด็นตรงนี้วันนี้อยากจะมาสนทนากับพวกเราอีกเรื่องนึงอยากให้พวกเราตั้งใจนิดหนึง่ง ก็อยากให้เราหลายท่านถามในเรื่องลักษณะของสติใช่ไหมหลายท่านก็บอกว่าเออเวลาประพฤติปฏิบัติไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มันทำไม่ค่อยได้เลยรู้สึกว่าทำไปทำมาแล้วจิตมันก็หดหูท้อถอยอยู่เรื่อยเลยบางท่านบอกวันที่หนึ่งวันที่สองมาเนี่ยยังไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญกรรมาฐานได้เลย แต่ก็พอมาวันที่สองวันที่สามการเจริญกรรมฐานก็เออเริ่มได้ขึ้นมาบ้างเนี่ยทีนี้ในการเจริญสติเนี่ยนตอนเนี้ยเรามาเจริญเขาเรียกว่าเจริญอะไรเจริญสติปฐานนะนสติสติปฐานเนี่ ย, นนยคือการเจริญอาณาปานาสติ หลักการก็เลยบอกว่าวสัมมาสติเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่สอย่างกายานุปัสนาสติปทานเวทนานุปัสนาสติปฐานจิตานุปัสนาสติปฐานแล้วก็ธรรมานุปัสนาสติปฐานการเจริญอานาปณะสติเริ่มต้นนีนนนน่จัดเข้าในหมวดไหนกายเวทนาจิตหรือธรรมเออเป็นกายานุปัสนาสติปทานฉะนั้นกองลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ย ตามรู้กองรูปก็คือกองลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมีความเพียรเผากิเลสมีปัญญาอย่างเห็นมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ใช่ไหมสตินี่ก็แปลว่าอะไรเนี่ยก็แปลว่าการระลึกรู้ก็หมายถึงว่ารู้ตัวนี่แหละเช่นถ้าเราขับรถก็ดีทํากิจกรรมงานต่างๆก็ดีการยืนเดินนั่งนอนก็ดีเนี่ยลักษณะก็คือการรู้ใช่ไ การระลึกรู้แต่สติที่เราใช้ในการปฏิบัติธรรมะเนี่ยท่านอุปมามาการสีไฟเนี่ยเหมือนอะไรนะไม้เนี่ยใช้ไม้มาสีกันเนี่ยเอาไม้มาสีกันเหมือนอะไรเหมือนสติถ้าความร้อนมันเกิดขึ้นจากเอาไม้มาสีกันเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนกับสมาธิ ถ้าเปลวไฟมันลุกขึ้นมาจากการสีไฟ น, นี่เหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนปัญญาเอาไม้มาสีกันสีกันบ่อยๆมันสีตลอดตลอดเหมือนอะไรเหมือนอะไรนะเหมือนสติถ้าความร้อนมันเกิดขึ้นเหมือนอะไรแสดงไม่เคยสีไม่เคยเอาไม้มาสีกันเลยพวกเราเนี่ยทำไมโบราณจัง นี่โอบมานี่อุปมาแบบโลราณรู้ปล่าเคยเอาไม้แห้งๆมาสีกันไหมเคยไหมเอาไม้มาสีกันเนี่ยสีนานๆเข้าเนี่ยไม้มันจะร้อนไหมร้อนไม่ร้อนที่ร้อนเพราะอะไรเพราะเราสี บ, บ่อยๆเอาแต่เนี้ยการระลึกดูลมหายใจเข้าออกต้องระลึก บ, บ่อยๆไหมต้องอันดับแรกที่บอกว่าเธอมีสติหายใจเข้าเธอมีสติหายใจออก นันการหายใจเข้าก็มีสติและลึกรู้หายใจออกก็มีสติและลึกรู้ทั้งเข้าทั้งออกก็มีสติและลึกรู้อย่างติดต่อและต่อเนื่องอย่างนี้เหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนไม้สีไฟเมื่อความร้อนเกิดขึ้นเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนสมาธิก็แปลว่าเมื่อเกิดความแนบแน่นแนบชิดติดกับลมแล้ว จิตไม่ไปทางอื่นแล้วอยู่กับลมได้อย่างติดต่อและต่อเนื่องเหมือนนั่นเป็นอาการของอาการของสมาธิถ้าเกิดไฟลุกขึ้นมาอย่างในํำนองนี้ก็ เ, เหมือนอะไรก็เหมือนปัญญางี้เป็นต้นฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยนะการเจริญอานาปนานสติเนี่ยเป็นการฝึก เป็นการฝึกที่จะทําให้สตินั้นมีกําลังมากขึ้นที่ท่านใช้คําว่าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกที่ว่าดํารงสติไว้เฉพาะหน้านั่นแหละเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเป็นต้นใช่ไหมตรงเนี้เป็นลักษณะาการการกําหนด ในอาณาปณะสติที่นี้ในอาณาปณะสติเนี่ยมันมีทั้งหมดสี่หมวดแต่ในที่นี้เรามากําหนดแบบระดับแรกระดับเริ่มต้นที่เรียกว่าอาณาปาณะภิกษุหรืออาณาปณะสติเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปณะสติที่เจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมจะทําให้สติปฐานสี่บริบูรณ์ได้ ละสติปัฏฐานสี่ที่เจริญกระทำให้มากแล้วเนี่ยจะทำให้วิช า, าจะทำให้โพชฌงเจตเนี่ยเจริญโพชฌงเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วก็จะทำให้วิชากคือมรรคยานเกิดวิมุตติก็คือผลลยานเนี่ยเกิดขึ้นหรือบริบูรณ์เป็นต้นได้ในเริ่มต้นเนี่ยในกรณีที่เราเริ่มฝึกเบื้องต้นเนี่ยเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนารู้หมดเลย แปลว่าอะไรสมถะก็แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าความสงบฉะนั้นการกำหนดรู้ลมเข้าและลมออกเบื้องต้นเนี่ยก็ เ, เรียกว่ารู้สันฐานของลมเ้าเรียกสันฐานบัญญัติจัดว่าเป็นบัญญัตินะเมื่อลมปรากฏชัดแล้วเนี่ยบางท่านก็เกิดเป็นนิมิตรปรากฏเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้น เออแต่เรายังไม่ได้ถึงระดับนั้นเป็นเพียงแค่เบื้องต้นนะนะเป็นเพียงแค่เบื้องต้นแค่ <c oughs> นั้นในกรณีที่เรามาฝึกในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยประเด็นมันอยู่ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้กำลังของสมาธิเนี่ย มันเกิดความแนบแน่นขึ้นอะไรเป็นปัจจัยที่จะทำให้กำลังของสมาธิเนี่ยเกิดความแนบแน่นขึ้นเพราะพระเจ้าตรัสเขาไว้ในการที่จะเจริญสมาธิเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรกก็คือว่าพระเจ้าพูดเรื่องของฉันทะสมาธิพูดเรื่องวิริยะสมาธิจิตตาสมาธิแล้วก็วิมังสาสมาธิ พูดถึงสมาธิหนึ่งคำว่าฉันทะสมาธิสมาธิที่เกิดจากฉันทะสมาธิที่มีฉันทะเป็นใหญ่ยอมเข้าใจคำว่าฉันทะัหมฉันทะก็แปลว่าความพอใจความพอใจถ้าพูดกันอย่างนี้เรายังไม่รู้ยังอาจจะไม่ชัดไต้แก่ความมีใจรักในสิ่งที่ทำ เรารักในการที่จะเจริญอาคานาปันสติไหมรักไหมรักไม่รักอ่ะยกมือหน่อยที่ที่ว่ารักนะรักแค่ไหนรักอาคานาปันสติสมาธิรักการเจริญอาคานาปันสติสมาธิรักแค่ไหนรักมากหรือรักน้อย รักมากหรือน้อยรักไหมก็คือทำไมเราจึงรักพอใจไปรักในจุดหมายของสิ่งที่ทำเราเห็นว่าถ้าเราเจริญอาณาปณสติสมาธิประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยหรือเข้าถึงจุดหมายสูงสุดแล้วเนี่ย สมาธิแนบแน่นเข้าถึงความสูงสุดแล้วอาณาปณสติสมาธิเมืม่อพิกษจเจริญแล้วก็ททำให้มากแล้วเนี่ยจ่ได้เราดูจากที่พุทธพจน์บอกว่ากายเมื่อยหรือไม่เมื่อยตาจะเหนื่อยไหมจิตก็จะหลุดพ้นจากอะไรออจิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะพอเราได้ยินพุทธพจน์หรือคำพูดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยเราปราถนาไหมว่าตาก็ไม่ กายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยจิตก็จะได้หลุดพ้นจากกิเลสพอได้ยินอย่างนี้แล้วมีใจรักไหมมีใจรักมีความพอใจอย่างแรงกล้าในการที่จะทำไหมทุกวันนี้นั่งอยู่มันเมื่อยไหมตามันล้าไหมเวลาเพ่งนานๆเนี่ยตอนนี้จิตเป็นยังไงถูกกิเลสลุ่มเล้าไหมพอได้ยินพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ในฐานะเป็นพุทธบริษัทเนี่ย ก็ตื่นเต้นขึ้นมามีใจรักมีความพอใจอย่างแรงกล้าทีนี้ประเด็นก็คือเรารักอะไรเนี่ยก็คือรักไฟรักในจุดหมายของสิ่งที่ทำนั้นอยากทำสิ่งนั้นๆให้สำเร็จอยากให้การงานคือการเจริญอาณาปณสตินั้นน่ะบรรลุถึงจุดหมายอันนี้แปลว่าอะไรหนึ่งรักการกระทำรัก รักการปฏิบัติอาณาปานสติรักการปฏิบัติธรรมสองรักจุดหมายจุดหมายที่จะถึงอ่ะเช่นกายเราก็จะได้ไม่เมื่อยตาก็จะได้ไม่เหนื่อยจิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสใช่ไหมล่ะก็เลยโอ้โหมันเห็นประโยชน์เหมือนเราไปทํางานเนี่ยมันได้เงินเดือนใช่ไหมล่ะ แล้วก็อยากได้จะได้เงินมาแล้วจะได้มาทำประโยชน์เราก็เลยทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการทำงานนั้นใช่ไหมเออตรงนี้เราเห็นตรงนี้ไหมล่ะว่าถ้ามองลึกลงไปเนี่ยความรากักความใฝ่ใจความปรารถนาต่อภาวะที่ดีงามเต็มเปี่ยมที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นจุดหมายของสิ่งที่กระทำหรือจะจะเข้าถึงได้โดยการกระทา ถามว่าถ้าเราจะเข้าถึงเช่นจะเข้าถึงกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยจิตก็จะหลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยการที่เราจะเข้าถึงจุดหมายนั้นได้น่ะมันต้องมีใจรักมันต้องรักงานมันต้องรักการกระทามันต้องมีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรร์ใฝ่ศึกษามีความเพียรพยายามมีจิตจดจ่อในอันที่จะทำสิ่งนั้นอย่างมุ่งมั่นอย่างแท้จริงไม่ได้ทาแบบเล่นๆแล้วตัเนี้ยทาจริงหม เออมันทำจริงขึ้นมาตรงเนี้ยเพราะต้องการอยากจะเข้าถึงภาวะที่ดีงามที่ประณีตอย่างนั้นที่สมบูรณ์ที่สุดปรารถนาภาวะที่ดีงามก็คือภาวะที่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันดำรงแน่วมั่นคงนี่เองงั้นความอยากที่เป็นฉันทะเนี่ยมันต่างจากความอยากที่เป็นตัณหาไหมต่างกันหรือไม่ต่างความอยากที่เป็นฉันทะกับความอยากที่เป็นตัณหา ไอ้ตัณหาเนี่ยมันอยากได้รับผลแต่มันไม่อยากจะทําโอ้พ่อพูดอย่างนี้โอดีนะเนี่ยกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยจิตก็หลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะเออพอตัณหาเนี่ยได้ยินข้าวปุ๊บเนี่ยมันอยากได้เหมือนกันนะแต่มันไม่ยอมทํามันเกียรต์้านมันขี้เกียรติทำเนืตัณหาเนี่ยถ้าให้ทํามันไม่ยอมทํำแต่ถ้าฉันทามันอยากจะสร้างอะไรอยากจะทําเหตุให้ดี อยากจะทำให้เต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถฝึกยากไหมฉันท้าเนี่ยยากไหมยากทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะบางครั้งเนี่ยเราทำแล้วมันไม่ได้แล้วเราก็ทอ้อเป็ดไหมพอทำได้สักหน่อยแล้วก็ทอ้อ ใครที่มีความง่วงครอบงําบ่อยที่เสดยกมือทีอยากจะหายไหมอยากจะหายง่วงไหมอยากก้มหน้าให้มองขึ้นมาข้างบนนี้ <c oughs> มองขึ้นมาบางคนไปก้มหน้าอย่างนี้ก็ง่วงดีแตเนี้ยนะ เอาใครเจริญเมตตากันได้บ้างที่นั่งเนี่ยเจริญเมตตาเป็นหรือยังเป็นหรือยังออาเป็นนายกมือที้นทีไอ้ที่ยังเจริญเมตตาไม่เป็นยกมือขึ้นทีโอ้ยังเจริญเมตตาไม่เป็นกันเทียบเลย <int re S 2> คือที่พูดถึงในเรื่องของฉันท่าเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดสมาธิแต่ฉันท่าเป็นปัจจัยเกิดเมตตาเป็นต้นก็ได้นะคือจริงเม hmm ื่อวันก่อนพูดถึงว่าทําไมเราต้องมาฝึกสมาธิ รู้ไหมว่าทำไมต้องฝึกจิตที่เป็นสมาธิมีคุณภาพมีมีลักษณะสามประการจำได้ไหมหนึ่งหนึ่งคุณภาพสองสมรรถภาพสาในด้านของความสามารถหรือด้านความสุขใช่ไหมในด้านความสุขตอนนี้จิตเรามีคุณภาพไหม เช่นสามารถทําให้เมตตาเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ทําให้ความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ทําให้กรุณาเกิดก็ได้ทําให้มุทิตาเกิดก็ได้ทําให้เกิดความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบา ป, บาปเกิดขึ้นมาก็ได้แล้วทาให้เกิดกระตันยูกระตาเวทีก็ได้แต่ตอนนี้คุณภาพจิต ต, ตอนนี้มีไหมมีไม่มีอ้าวลองทําเมตตาให้เกิดขึ้นทีแบบไม่ให้ง่วงอ่ะได้ไหม เอาลองแผ่เมตตาดูทีเอา้าทำเมตตาให้เกิดขึ้นรักรักตัวเองอะ่ะทำความรักความปรารถนาดีอะ่ะปรารถนาได้ไหมเกิดไม่เกิดรู้สึกว่าปราบปลื้มยินดีเลยไม้มรู้สึกโอ้โหเรารักตัวเองมากเลยมีความรักความปรารถนาดีความเ อ, อื้อทอนขอให้ข้าพเจ้าว่าไง ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรแก่ใครๆเลยตอนเนี้วันนี้เราได้เอากายของเราเนี่ยไปฆ่าสัตว์ไหมได้ทำํำไหมได้ไปผูกเวรกันไหมเอาได้ไปเอาไปลักทรัพย์ไหมได้เอาไปบพเพผิดในการมไหมเอาวาจาได้ไปกล่าวเ ท, ท็จไหมกล่าวส่อเสียดไหมกล่าวคําหยาบไหมกล่าวเพื่อเจอ้อไหมได้เอา ของมึนเมาใส่ในร่างกายไหมไม่เลยใช่ไหมแล้วพิจารณาอย่างนี้อแล้วก็ตั้งเจตจํานงว่าเราจะไม่ให้กายยกรรมวจีกรรมพฤติกรรมของตนเองเนี่ยเข้าไปเบียดเบียนใครอีกแล้วไม่ก่อเวรใครอีกแล้วแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยคําว่าขอในที่นี้เข้าใจไหมคือตั้งใจไว้ว่าจากไม่เอากระแสะชีวิตของตนเองเนี่ย ไปก่อกรรมทำเข็นกับใครอีกแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเมื่อคิดอย่างนี้ความสุขใจเกิดไหมเกิดไม่เกิดขอให้ถีนามิท้าอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้งกง่วงอย่าได้ซึมเศร้าอย่าได้เหงาหงอยเลยขอให้มีความตื่นเต้นชื่นใจในขณะที่ฟังพระธรรมเถิดได้ไหม รู้สึมันชื่นใจไหมเวลาฟังธรรมะเนี่ยชื่นใจไหมเอาใครเศร้าใจทุกใจหรือฟังแบบไม่รู้เรื่องเลยฟังมาตั้งหลายวันมาแล้วพยายามฟังไปฟังมาเนี่ยไม่ว่าพระองค์ไหนในตรงไหนมาพูดฟังไม่รู้เรื่องเลยเป็นแบบนั้นไหมนี่ก็แล้วแผ่นะแผ่กําลังของเมตตาเพราะว่า เราเข้าใจคําว่าพรห ม, ร ม, มวิหารไหมแปลว่าอะไรเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกไปเที่ยวหนึงนะ่งเนอะเราต้องจํากันเองนะคําว่าพรห ม, มวิหารเนี่ยก็แปลว่าทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐเอาลองว่าตามทีเอาแปลว่าอะไรเอาพรห ม, มวิหารแปลว่า เออทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐเอาแปลใหม่อีกว่าทำประจำใจอันประเสริฐเอาลองช่วยเอาสักสองความหมายที่พรหมวิหารแปลว่าทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐเอาชอบคำไหนชอบคำไหนทำประจำใจอันประเสริฐเอาอีกสักคำไหม หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์หลักอะไรชักไปไม่เป็นแล้วหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ลองว่าดูที เ, ท เ, เอออสามความหมายลองว่าหน่อยทีทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐสอง ทำประจำใจอันประเสริฐสามชักเริ่มไปไม่เป็นแล้วเขาเริ่มเข้าใจความแก่ยังเริ่มเข้าใจยังฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพรหมวิหารแปลว่าอะไรก็แปลว่าทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐทำประจาใจอันประเสริฐหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธ ชอบคำไหนสามคำเนี่ยเออเอาไปคำเดียวก็พอแล้วเขาบอกว่าคำสอนของธรรมะเนี่ยเนยแต่ละคำเนี่ยที่จริงมันสามารถขยายได้เป็นร้อยนะแต่คนมีปัญญาน้อยจำได้คำเดียวจำได้แค่คำเดียวแค่ น, นี้ ถ้ามันจำไม่ได้มันจเร ach, จริญไม่ได้จริงๆนะเราอยากจะเอาธรรมะประจําใจประเสริฐใช่ไหมทำประจําใจประเสริฐมากํากับไว้ทําเครื่องอยู่อย่างประเสริฐทําประจําใจประเสริฐหลักความประพฤติที่ประเส ร, ริฐบริสุทธิ์ทีนี้ฉะนั้นธรรมะเนี่ยที่จะต้องมีไว้เป็นหลักใจธรรมะที่จะต้องมีไว้เป็นหลักใจเอาไว้กํากับอะไรเอาไว้กํากับอะไรกํากับความประพฤติ ฉะนั้นพรหมวิหารเนี่ยเป็นธรรมะเป็นทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธ, ธรรมะปะจานปลายประเสริฐเนี่ยเป็นหลักความประพฤติที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ฉะนั้นเป็นธรรมะที่จะต้องมีไว้เป็นหลักใจเอาไว้กำกับความประพฤติถ้าไม่มีธรรมะนี้ไว้กำกับใจนะจะชื่อว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่หมดจดไม่ได้ไอการดำเนินชีวิตเนี่ยคำว่าดำเนินดำเนินชีวิตเนี่ยถ้าการดำเนินชีวิตเขาเรียกจริยะ การดำเนินชีวิตเนี่ยจริยะจริยะเนี่ยถ้าเป็นก็เห็นว่าจราจรนจระจระมาจากคว่าจระจลาจอก็แปลว่าการไปการมาที่จริงมันเป็นลูกปธรรมแต่ว่ามาใช้เป็นหลักของนามธรรมเขาเรียกว่าจริยะจริยะก็คือว่าเป็นการดำเนินชีวิตแต่ถ้าดำเนินชีวิตให้ดีให้เสริฐจิงๆเขาเรียกอะไรเขาเรียกพรหมจริยะ เป็นการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐฉะนั้นพรหมวิหารธรรมในพรหมวิหารเนี่ยเขาจึงแปลว่าทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐธรรมะประจําใจนั้นประเสริฐหรือหลักความประพฤติที่ประเสริฐประเสรเิฐบริสุทธิ์จึงเป็นธรรมะที่ต้องมีไว้ต้องใช้คําว่าเป็นธรรมะที่ต้องมีไว้เป็นหลักอะไรเป็นหลักใจและกําเอาไว้กํากับความประพฤติจึงจะชื่อว่าดําเนินชีวิตที่ดีและหมดจดได้ ในกรณีที่เราจะปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายโดยชอบได้นั้นจะต้องมีธรรมะประจำใจประเสริฐกากับไว้ไหมเอออย่างนี้เป็นต้นเอาข้อแรกเมตตาแปลว่าอะไรเมตตาแปลว่าอะไรเมตตาก็แปลความรักความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีจิตเผื่อแผ่ไมตรีและคิดทาประโยชน์แก่มนุษย์ทั่วหน้าเนี่ย เมตตาความรักความปรารถนาดีความเอื้อทรเข้าใจยังมีไม่มีเมตตาเนี่ยมีอยู่ในทุกคนไหมมีอยู่ในทุกคนไหมมีไม่มีในใจเราเนี่ยมีไหมตอนนี้มีไม่มีมีทำไมนั่งง่วงๆอย่างนั้นละ่ะมีไหมเมตตามีไหมเมตตาแปลความรักความปรารถนาที่นี้ ไอ้ความรักที่เป็นตัณหากับความรักที่เป็นเมตตาต่างกันไหมต่างตรงไหนตัณหาคืออยากได้อยากเสพอยากเอาอยากเอามาสนองความต้องการของตนเองเอามาสนองตาหูจมูกลิ่นกายตนเองนี่เขาเรียกว่าเป็นรักแบบอะไรแบบตัณหาถ้าเมตตานี่แปลว่าอะไรรักปรารถนาดีฝ่ใจที่จะปลดฝ่ใจในการที่จะอยากให้เขามีความสุข ปราถนาให้มีความสุขมีความรักความเอื้อทอนปราถนาให้เขามีความสุขไอ้ความรักอย่างนี้เป็นเมตตาต่างกันเลยนะอย่าเจริญตัณหาแต่จงเจริญเมตตาเพราะตัณหาเป็นธรรมะที่ควรละหรือควรเจริญควรละถ้าเมตตาเป็นธรรมะที่ควรละหรือควรเจริญควรเจริญนี่เริ่มจะเข้าใจอย่างตัวเนี้ยสองกรุณาแปลว่าอะไร การุณาแปลว่าทำไมทำความสงสารคิดจะช่วยพ้นทุกเคยมีไหมเคยมีการุณาไหมตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาเคยมีการุณาเกิดไหมถามจริงเคยั้ยมีเออยช่วยหน่อยได้งั้ กรุณาก็แปลว่าความสงสารคิดจะช่วยพ้นทุกข์ใยใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากความเดือดร้อนให้กับสัตว์อื่นเวลาเห็นสัตว์อื่นเขาประสบความทุกข์เนี่ยมันมีความคิดอยากจะปลดเปลื้องเขาปลดเปลื้องความทุกข์ให้กับเขาไอความคิดอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรและกรุณาเมตตากับกรุณาเนี่ย เป็นสภาวะรมอันเดียวกันหรือคนละอันคนละอย่างใช่ไหมแต่เราชอบจะพูดไปด้วยกันแท้ที่จริงมันคนละคนละประเภทดีสังเกตไว้นะพูดเสร็จแล้วต่อไปจะได้ให้เจริญเดี๋ยวเจริญไม่ถูกเดี๋ยวฝึกไม่เป็นเริ่มเข้าใจยังเมตตาก็อีกอย่างการุณาก็อีกอย่าง การุณามันมีแท้กับเทียมนะใครเคยเห็นการุณาเทียมไหมพอเห็นคนอื่นประสบความทุกข์เราก็สงสารพอสักพักหนึ่งก็ร้องไห้ตามเขาเคยเป็นไหมโอ้ยเราช่วยเขาไม่ได้สงสารเขาเลิศเกินน้ำตากร่วงแม่แม่ร้องไห้ทมมานัทกินอีกอันนี้เป็นการุณาไหมอันนี้ก็เรียกเป็นทมนัท เวทนาและทุกข์ใจช่วยเขาไม่ได้อันนี้ก็เลยกรุณาเทียมไม่เช่แท้ถ้ากรุณาแท้เป็นยังไงเป็นยังไงขนขวายในการที่จะช่วยเหลือเขาในขณะที่จะช่วยเหลือเขาเนี่ยขนขวายเต็มที่ไหมเต็มที่หรือไม่เต็มที่เมื่อช่วยไม่ได้แล้วมีความสุขหรือไม่มีก็เห็นกรุณาที่ตนเองขนขวาย ม, มีความสุขที่ได้ช่วย ไม่ได้มีความสุขในการที่ช่วยได้หรือไม่ได้อย่างเดียวนะเนยเพียงแต่ว่าเออความสุขมันเกิดขึ้นอมุทิตาแปลว่าอะไรพอยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุขอันนี้จิตจะผ่องใสบันเทิงมากจิตก็แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผูดตำลงอยู่ในความสุขด้วยพระยินดีกับเขา เอมมูธิตาเวลาพอยินดีกับเขาเนี่ยต้องจำกัดไหมว่าคนคนนี้เราชอบหรือไม่ชอบพอได้ยินข่าวใครบางคนที่เราเขาเป็นผู้นําเขาเป็นผู้นําประเทศเนี่ยและเราเรารู้สึกเราจะไม่ชอบเขาแต่ได้ข่าวว่าเขากำลังได้รับแต่งตั้งได้รับตาแหน่งสูงเราได้ยินปุ๊บเนี่ยรู้สึกพอยินดีเลยไหมพอยินดีหรือไม่พอยินดี ลักษณะนี้เขาเรียกเจริญมุทิตาไม่เป็นฮะถ้าพอยินดีได้เนี่ยเขาเรียกว่ามุทิตาเป็นเขย่าอย่าง <c oughs> มุทิตาเรามันเป็นกายการเวนมุทิตาจำกัดเฉพาะพวกเฉพาะคนที่เราชอบอย่างนี้ไม่ใช่มุทิตาแท้ ธรรมทุทิตาแท้เนี่ยพอยินดีกับทุกคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเอาใครทำงานราชการบ้างยกมือขึ้นที่ทำงานราชการเออเวลาทำงานราชการเนี่ยเขาก็จะเราจะมีเพื่อนโอ้ยทำดีแข่งกันใหญ่เ้าจะมีสิ้นปีเขาจะให้กี่ขั้นนะสองขั้นใช่ไหมนี่อเผลอในคนที่ แข่งกับเราอยู่เนี่ยเขาได้สองขั้นแล้วเราไม่ได้ความรู้สึกตรงนั้นเราจะมุติทตากับเขาได้ไหมได้ไหมเข้าไปจับมือเขาโอ้โหชื่นใจจริงๆรื่ยินใจจริงๆเลยนะเนี่ยขอให้คนมีความสุขเถอะตบอกเลยไนะ้ย ดีใจสุดซึ้งเลยที่เขาได้ดีมีความสุขอย่างนี้เขาเรียกมุทิตาไหมเออเขาเรียกมุธิตามันออกไปแบบนี้จริงๆท่านนึกในใจแม่ไม่น่าเลยทำไมมันไม่เป็นเราวะไอ้นี้เป็นอะไร อันนี้ไม่ใช่มุทิตาแล้วมันกลายเป็นลิษยาเขาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วมันทนไหวไหมฉะนั้นมุทิตามันทำลายอะไรมุทิตามันทำลายความลิษยา <c oughs> เห็นคนอื่นได้ดีมันต้องชื่นใจสิอันนี้เราเห็นคนอื่นได้ดีมันทำไมถึงทนไม่ได้เรียนธรรมะฝึกธรรมะปฏิบัติธรรมะกันแทบตายใช่ไหมล่ะ นี่ก็เรียกกำลังพูดเรื่องคุณภาพของจิตนะเนี่ยจิตถ้าฝึกแล้วจะต้องได้คุณภาพเหล่านี้หรือถ้ากำลังฝึกจะต้องเข้าถึงคุณภาพเหล่านี้แต่ไม่ใช่บางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมะโอ้โหเข้าไม่รู้กี่คอร์คอร์ดไหนเข้าต่เพิ่งตะเอิ่งเลยขอไฟเนี่ยกลับไปนะโอ้โหคุณภาพจิตแย่มากเลยอ่ะเคยเห็นไหมแทนจะมีเมตตามากขึ้นกรุณามากขึ้นมุทิตามากขึ้น และโดยเฉพาะอุเบกขาการวางใจเป็นกลางได้มากขึ้นน่ไม่เป็นเลยแล้วยิ่งปฏิบัติธรรมะก็ยิ่งยิ่งฟังความเห็นต่างไม่ได้ก็เห็นไหมคนบางคนเนี่ยก็เลยไปยึดอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรามาปฏิบัติอาณาปณะสติปุบเนี่ยก็ยึดแต่อานาปณะอยู่นี่แหละอย่างอื่นผิดหมดใช้ไม่ได้เคยเป็นไหมเคยเห็นไหมล่ะ นันต้องอาณาปณะเท่านั้นต้องอาณาปณ ะ, เ ท, ออาาปะเท่านั้นก็ยึดเนี่ยอันนี้แปลว่าคุณภาพของคุณภาพของจิตเป็นยังไงมีเมตตามไหมมีกรุณาไหมมีมุทิตามไหมโดยเฉพาะอุเบกขาก็แปลว่าอะไรอุเบกขาแปลว่าอะไรความวางใจเป็นกลางที่จะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา นี่มีจิตที่เที่ยงตรงหรือไม่เที่ยงตรงอุเบกขานี่เที่ยงตรงหรือไม่เที่ยงตรงเที่ยงทรรมดุจตราชูอ่ะรู้จักคำาตาชูหอะไรตาชูคืออะไรเออตาชัง่ง <c oughs> นั่นแหละไม่เอ็งเอียงด้วยรักและชัง่งพิจารณาเห็นได้ด้วยปัญญานะพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อกระทาแล้วก็ควรที่รับผลดีและผลชั่ว สมควรแก่เหตุคือการกระทํำของสัตว์นั้นไม่เลือกที่รักผักที่ช้างออุออเบกขาเราเจริญกันได้ดีไหมถามยิงเจริญได้ดีหรือไม่ดีสรุปแล้วตรงนี้ก็คือว่าในหลักการเนี่ยในวางเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยสี่ข้อเนี่ยทำมากข้อไหนที่เจริญได้ยากยากที่สุดอ้าข้อไหน เอาใครว่าเมตตายกมือใครว่ากรุณายกมือใครว่ามุทิตายกมือใครว่าเวกขายกมือใครว่ามันยากทั้งหมดยกมือที่ไม่ยกมือแปลว่าอะไรเนี่ยฮะยากทั้งหมดไหมเมตตาง่ายไหมเมตตา ก, กรุณาไหนง่ายกว่ากัน การุณาง่ายั้ยแต่มาสังเกตดูวพวกเราการุณาไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่รองมาว่าบางที่แต่ไม่แน่อาจจะมีก็ได้นะการุณานี่จิตขนขวายใช่ไม้มที่จริงตัวที่ยากที่สุดคืออุเบกขา อุเบกขาต้องมันต้องเป็นไปกับปัญญามันมีคำว่าเฉยนะเฉ ย, ยแบบไม่รู้เรื่องนี่เป็นอุเบกขาไหมเฉยเมยนี่ไม่ใช่ต้องเฉ ย, ยแล้วก็มองดูอยู่ด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลเอางี้ยกตัวอย่างถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยยามลูกยามลูกของเราปกติเนี่ยเราควรเจริญพรมวิหารข้อไหนกับลูกยามลูกปกติ ยามลูกประสบความทุกข์ควรเจริญข้อไหนยามลูกประสบความสาเร็จควรเจริญข้อไหนแล้วเวขาใช้ในวาลาไหนใช้ในวาลาไหนเอายามการุณาอย่างพูดว่าลูกไปโรงเรียนกลับมาลูกก็บอกแม่ทำการบ้านไม่ได้เขาบอกเขาเรียนมาไม่รู้เรื่องเลย คนจะเจริญไอพรวิหารข้อไห น, น<า>กรุณาแปลว่าอะไรเขาช่วยไป ช, ช่วยอะไรช่วยทำการบ้านให้ลูกใช่ไห ม, ช, ไหมช่วยยังไงช่วยยังไงฮะแนะนำพิมสอนเขาอ้าวเขากลับไปแล้วพอวันที่สองกลับมาเขาแม่ทําไม่ได้หรอกเจ้าเจริญพรมิหารข้อไหนเมืม่อวานก็กรุณาไปแล้วนะ วันที่สองกรุณาต่ออีกเอาเข้าไปบอกกล่าวอีกวันที่สามกลับมาลูกบอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องอีกแล้วจะเดินข้อไหนจะเดินข้อไหนฮะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเจริญข้อไหนเจริญข้อไหนฮะเนี่ยทาท่าไม่เป็นกันแล้วพวกเราเนี่ยนี่ยังไงคือปัญหานี่แหละปัญหา อันนี้คือความจริงว่าจิตเนี่ยเวลาคุณภาพด้วเราเรามาฝึกจิตเราต้องการฝึกให้ไม่ได้คุณภาพคุณธรรมเหล่านี้นะแล้วทีนี้เอ้วย้อนกลับไปหน่อยพรมมีกี่หน้าพรมมีกี่หน้าพระพรมที่เอราวันมีกี่หน้าสีหน้ามีกี่จมูกมีกี่ปาก มีกี่หูมีกี่หั ว, หวเวลานอนนอนยังไงพระพรมท่านนอนนอนยังไงฮะไม่ยอมนอนเลยเรามานั่งหลับเราทำไมนอนล่ะเนี่ยเนี่ยเอาตกลงจะเอาอยัางไงสรุปแล้วพรมมีกี่หนะ้าฮะ มีกี่หน้านะใครว่าสี่หน้ายกมือใครว่าหน้าเดียวยกมือใครบอกไม่รู้ไปเห็นมาหรือยังพรหมวิหารมีกี่หน้าหน้าที่หนึ่งคือหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่สี่พรหมวิหารเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม เขาสร้างพระพรหมไว้เนี่ยเพื่อเป็นคติเตือนใจเราไม่ใช่พระพรหมมีสีหน้าอย่างนั้นจริงๆถ้างั้นฉันจะไม่ยอมไปเกิดเป็นพรหมเด็ดขาดเข้าใจยังเราอยากจะไปเกิดไหมถ้าไปเกิดเป็นพรหมแล้วมีสีหน้างั้นจะไปเกิดไหมเล่ะเกิดหรือไม่เกิดทีนี้การใช้เนี่ยเอาละพรหมเนี่ยพรหมวิหารเนี่ยเขาใช้ทีละกี่หน้า ะกี่หนะ้าต้องใช้ให้ถูกบุคคลไหมให้ถูกเวลาไหมให้ถูกการไหมเอาตอนนี้มองมาที่พระเนี่ยตอนเนี้ยเราจะใช้พรมหน้าไหนตอนนี้พระเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะใช้หน้าไหนใช้หน้าไหนอุเบกขาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมใช้หน้าไหน สรุปแล้วใช้หน้าไหน <Yeah. S 1> เออใช้อุ้ยผ้าเหนื่อยนี่นะ <Yeah. S 1> ใช้หน้าไหนอ้า <Yeah. S 1> ใช้กรุณาใช่ไหมพ่านพูดมานานแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยคอแห้งหมดแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ใช้หน้าไหน <Yeah. S 1> การุณาแห้งแรง <Yeah. S 1> กรุณาแบบไหน <Yeah. S 1> เออบอกอาหารน้ํามาท่านจานน้ําใหม่ ก็การุณามันออกมามันออกมาเป็นภาคปฏิบัติการในท่านในใจมันก็การุณายิ่ไหมการุณาในใจคิดปราถนาโอ้โหท่านพูดมาตังเป็นชั่วโมงน้ำลายเหนียวนุนัๆนุนัๆพูดเมื่อวานเนี่ยออที่พระท่านสอบอารมณ์สอบสอบอารมณ์่าไปปับ๊บโอ้ท่านท่านพูดจนเมื่อยปากหมดเลย ต้องพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกภาก็ต้องไปนวดปากให้ท่านนวดตรงนี้นวดนวดให้ท่านหายเมื่อยค้างนะนะดูสิเนะี่ยโอ้โหก็ขนาดนั้นเลยนะใช่ไหมเอาเดี๋ยวคนนั้นเข้ามาก็ต้องพูดซ้ําอีกใช่ไหมเอาอีกคนนั้นมาก็พูดซ้ําอีกแล้วพูดอย่างนี้พูดไปพูดมาพูดจนถึงห้าโมงเย็นนะนะลองคิดดูสิโอเหนื่อยนะหน้ากระวนน้ำหมนี่ ไปเนนก็ทำข้อวัดกันก็ไปนวดเนี่ยนวดตรงนี้ให้ท่านคลา ย, า ย, ายเอามาไปดูก็เอ อ, อ, อไม่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยท่านขนขวายกันขนาดนี้เลยเดี๋ยวพวกเราไม่เคยรู้หรอกว่าพูดเนหนื่อยนะเหนื่อยไหมเราก็นั่งหลับบ้างอะไรบ้างไม่สนใจแล้วสัตว์โลกเป็นไ ป, น ป, นปนตามกรรมยังเดียว จริงๆกรุณาเนี่ยมันจะมีสองลักษณะเดี๋ยวฉันชี้ประเด็นให้ดูนะกรุณาที่เป็นพรหมวิหารเนี่ยควรกำกับไว้ที่ใจในยามที่สัตว์ทั้งหลายประสบความทุกข์ขวนขวายปราถนาให้สัตว์นั้นพ้นจากทุกข์นี่ต้องกำกับไว้แต่เวลาภาคปฏิบัติการเช่นขวนขวายจะไปเอาน้ําไปให้เอายาไปให้หรือไปขวนขวายไปช่วยเหลือเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าภาคของการปฏิบัติออกมาทางด้านกายทางด้านวาจา อันนี้มันชั้นศีลเห็นไหมแต่พระมิหารเนี่ยเป็นธรรมะขั้นสมาธิเข้าใจยังฝึกคือต้องกำกับไว้ในใจแต่เวลาปฏิบัติการออกไปในกรณีที่เราจะไปเกี่ยวข้องบุคคลทั่วไปเนี่ยอันนี้เรภาคปฏิบัติการเช่นให้ด้วยกรุณาพูดด้วยกรุณาประพฤติประโยชน์ด้วยกรุณานี้เป็นต้นแต่แต่ถ้าไม่มีกรุณากำกับไว้ที่ใจแล้วเนี่ย การกระทําออกไปมันกลายเป็นแค่รูปแบบแค่พิธีกรรมแค่สัญชาตญาณมันไม่เป็นการเจริญธรรมะในใจได้อย่างแท้จริงเข้าใจอย่างเหมือนเราไปทํางานอยู่กับเหมือนเงี้ยเป็นพยาบาลเนี่ยหรือเป็นลูกจ้างเขาไปดูแลคนรับจ้างเขาไปดูแลคนป่วยเราไปหน้าตาเราก็เศ้าหมองเราไม่ค่อยอยากทาเท่าไหร่หรอก ให้สังเกตดูไหมคนที่ไปทําหน้าที่เฝ้าคนแก่เฝ้าคนป่วยก็เห็นไหมไปรับจ้างเดือนละหมื่นบ้างสองหมื่นบ้างเดือนละเก้าพันไนายบ้างก็จ้างกันไปใช่ไหมแล้วแต่ตกลงราคากันพอไปเบสเสร็จก็นั่งเขาเศร้าใจมากเอามาสังเกตดูมาไปเอามาไปรับบาดบ่อยนะคนแ ก, แก่เนี่ยก็จะมีเคยจ้างเด็กดูแล เด็กดูแลเขาเขาเศร้าใจมากที่เขาก็มีโทรศัพท์คอยกดโทรศัพท์ก็แกก็แกเลยคือเขาเขาหมุนหงิดมากอะ่ะเราก็สังเกตดูโอ้นี่ไงนี่ไงเขาไม่มีการุณาในใจหรอกเขาจเจริญไม่เป็นเพราะพรมวิหารก็แปลว่าอะไรนะทำเครื่องอยู่เลยทำท่าลืมแล้วอันนี้จังเยอะบ่อยกเกินในพวกเราเนี่ยพรมวิหารแปลว่าอะไร สองเออ ร, รมประจำใจอันประเสริฐเขาไม่มีธรรมะที่ประจำใจอันประเสริฐกากับใจเขาไว้คือไม่มีเมตตากํากับในใจไว้ไม่มีกรุณากํากับไว้ในใจไม่มีมุทิตากํากับไว้ในใจไม่มีอุเบกขากํากับไว้ในใจแล้วเขาใช้ไม่ถูกเหมือนพวกเราเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยยังไม่จบเลยนะคาว่าลูกเนี่ย ลูกทำการบ้านไม่ได้สามวันแล้วพอวันที่สี่เราควรจเจริญธรรมะข้อไหนในพรหมวิหารเนี่ยเขากลับมาลูกก็เป็นอย่างเก่าอีกเขาบอกว่าเขาเรียนไม่รู้เรื่องอีกแล้วจะทำยังไงจะใช้อะไรจะใช้พรหมวิหารข้อไหนจะใช้ข้อที่หนึ่งเมตตากรุณาหรือ ข้อสองหรือมุยตาหรือเบกขาใช้ข้อไหนก็การุณาไปสามรอบแล้วแล้วยังจะการุณาต่ออีกไหมตรงนี้เขาใช้อะไรรู้ไหมใช้อุเบกขาอุเบกขาแบบไหนให้เขารับผลของการกระทาแสดงว่าเขาเกณฑนะเนี่ย สามสี่ครั้งมาเนี่ยเขาเริ่มเริ่มเริ่มไม่อยากทำการบ้านแล้วเขาต้องรับผลของการกระทำเออผลของการกระทำเขาก็คือความที่เขาจะต้องเขาจะต้องโดนโดนอะไรเนี่ยก็คือให้สังเกตดูนะว่าเราต้องบอกเขาว่านี่สามครั้งแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกลูกไปเรียนวิชาอย่างนี้มาเนี่ยแล้วลูกไม่รู้เรื่องแสดงว่า ตอนไปเรียนไม่สนใจใช่ไหมฉะนั้นจะให้คนอื่นทำให้ไม่ได้ลูกต้องไปโรงเรียนแล้วไปรับโทษจะครูเขาด้วยครูเขาต้องลงโทษนี้เนี่ยใช่ไหมเขาจะลงโทษเขาจะตัดเกรดอะไรว่าไปหรือในที่สุดก็ลงโทษถูกตำหนิติติงอะไรก็ว่าไปนี่นี่แปลว่าเราไม่สนใจแล้วแม่ก็สอนไปแล้วลูกก็ไม่จำไม่จำด้วยแล้วไม่ใส่ใจด้วยไอ้กรณีอย่างนี้เห็นไหม ทีนีอุเบกขานมีสองกรณี น, นี้ยกตัวอย่างเช่นว่ า, ถ, านะถ้าลูกไปทำผิดนะถ้าลูกไปทำผิดนะแล้วโทษของการทำผิดนั้นจะต้องโดนจะต้องติดคุกติดตารางเนี่ยเออเราควรจเจริญข้อไหนถ้าการุณาก็ต้องไปวิ่งเต้นเอาเงินไปวิ่งเต้นไปช่วยไปล้มคดีความเพื่อจะเอาลูกออกมาใช่ไหมการุณาเป็นอย่างนั้นใช่ไหม ถ้าเมตตาก็ไม่ใช่แล้วไม่ไม่ใช่เขาปกติแล้วเ็ากำลังประสบความทุกข์แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมันเกินแล้วเราต้องบอกเขายังไงบอกยังไงดีก็บอกว่าลูกทำผิดมันมีกติกาของการจะต้องลงโทษอยู่นะเนี่ย ความผิดอันนี้ไม่ใช่ความผิดเล็กน้อยแต่ความผิดที่ทั้งถูกเตือนแล้วอะไมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วฉะนั้นลูกก็ต้องรับผลของการกระทำแต่ลูกก็ยังเป็นลูกของแม่อยู่นะแม่ก็ยังรักลูกอยู่แต่ก็ปราถนาว่าต่อไปลูกก็คงจะเมื่อออกมาแล้วเนี่ยลูกก็คงไม่ไกระทำเช่นนี้อีกอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจ ไ, ไหมเนี่ยเลือกวางใจเป็นกลางแล้วตอนนี้ไม่เลือกที่รักผักที่ชัง แม้เราทําอย่างนั้นเราก็ต้องรับผลของการกระทํานั้นด้วยแต่สังคมไทยเจริญกันไม่ได้ข้อนี้และอีกนัยยะหนึ่งคําว่าอุเบกขาเนี่ยในขณะที่ลูกกําลังอ่านหนังสือเองข้นขวายเองทํากิจกรรมเองในขณะที่มาฝึกเองลูกกําลังฝึกฝนพัฒนาตัวเองในการเรียนในการอ่านในการทําการบ้านเองเนี่ยตอนนั้นน่ยเราควรเจริญข้อไหนอุเบกขาเหมือนกัน วางใจเป็นกลางให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่าไปก้าวไก่เขาบางคนนี่โอ้ยลักลูกในก้าวไก่ทุกเรื่องลูกจะกินก็ตักข้าวให้โตจนจะไม่รู้จะโตขนาดไหนลูกยังแทบจะบดข้าวให้ลูกกินเนี่ยใครเป็นแบบนี้ไหมใครมีลูกรับเลี้ยงลูกแบบนี้ไหมนี่ก็เลี้ยงลูกไม่เป็นให้พระมาสอนอีกแล้วนี่พรุทธเจ้าสอนอย่างนี้แนะนําแบบนี้ พอจะเข้าใจยังสรุปแล้วตอนนี้พรหมวิหารเนี่ยก็แปลว่าทำเครื่องอยู่ของทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐเนี่ยนะเมต<ม>ตาเขาแปลว่าเยื่อใยใยประโยชน์สุขแก่โศแก่สักทั้งหลายมีน้ำใจปรารถนาประโยชน์สุขที่เป็นไปต่อมิตรมาจากคำว่ามิตรต่าที่จริงเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันนะสัตว์โลกเนี่ย กรุณาก็คือสะเทือนใจลักษณะของกรุณาก็คือเขาจะมีความสะเทือนใจมากเมื่อคนอื่นประสบความทุกข์แล้วก็ปรารถนาเี่จะถ่ายถอนความทุกข์ให้กับบุคคลอื่นนี่กรุณาจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ส่วนมุทิตาก็คือพอยินดีต่อบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอุเบขาเนี่ยคอยมองดูอยู่โดยละความข้นขวายในสัตว์ทั้งหลาย ว่าสาัตว์ทั้งหลายอย่าผูกเวรกันเป็นต้นฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คือว่าให้สังเกตดูนะว่าพรหมวิหารเนี่ยเวลาเขาใช้เนี่ยนะเขาใช้ให้ถูกกาลถูกเวลาออและจะต้องผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นนักเปลี่ยนหน้าเป็นและเปลี่ยนหน้าบ่อยๆเคยเห็นละครที่เขาเปลี่ยนหน้าเร็วๆปุ๊บๆเคยเห็นมเคยเห็นไหม เคยดูละครไหมละครที่เขามีหน้ามาเปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นหน้าเลยรปุ๊บปุบปบเร็วๆนี่เหมือนกันนักปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นนักเปลี่ยนหน้าแบบนั้นแหละเวลานี้ควรเจริญเมตตาก็เอาหน้าเมตตามาใส่วลาหนี้ควรเจริญกรุณาวลาหนี้ควรเจริญมุทิตาวลาหนี้ควรเจริญอุเบกขาห้ามเจริญหน้าเดียวแบบทื่อๆต้องให้เป็นไปในบรรยากาศหรือสถานการณ์นั้นๆด้วย เอาตอนนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ถ้ามองมาที่พระในตอนนี้เราควรเจริญพรหมิหารหน้าไหนเอาหน้าไหนเอาควรเจริญเมตตาหรือกรุณาหรือมุทิตาหรือเบขะเอาเอาใครเมตตายกมือทีใครใครมุกรุณาใครมุทิตาใครอุเบขาเจริญยังไงวะอุเบขานื แปลกจริงๆเอ้เออเจริญได้เหมือนกันเนาะเออเจริญได้หรือโอ๊ยอัศจรรย์มากเออแต่เจริญได้จริงจริ ง, จ, งนน จ, ร จ, จ, จริงเจริญได้ไหมได้ไม่ได้หวฟังแล้วหอยเหี่ยวจังเจริญโอเวคขาแต่จริงจริงเจริญได้ไหมได้ โอ้โหยเลยนูก็สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมง่ายง่ายดีใช่ไหมเวลาเรานั่งรถเมย์ไปนะมันมีมันมีคนคนหนึ่งตกรถเมย์ไปแล้วก็ดิ้นชักเขาไปตกลงไปถนนมันร้อนเลยนะ ไอ้ปูนมันก็ร้อนชักดินกระเดี่ยวกระเดี่ยวเพราะเราเห็นปุ๊บอย่างนั้นเราก็บอกว่าสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมได้ไหมตอนนั้นต้องเจริญอะไรต้องเจริญก็รุณนะอามาเ็เห็นเคยเห็นมาก็ตนเองเนี้ยมายกเรื่องนี้มาพูดเนียเพราเอิญมันมีคนถูกลถชนรถเมยเน่ยไปชนเขาแล้วเขาก็ดินชักคนบนรถเมยก็ลุกขึ้นดู ไอ้ที่เห็นเขาดิ้นชักกึกกึกขึ้ๆๆๆๆเนเ่ยพากันหัวเลอ้อหัวล้ออาการที่เขาดิ้นชักดิ้นชักอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยอันนี้ผิดจังหวะแล้วตอนนั้นควรเจริญการุณาการุณาแบบนั่งเจริญโอ้หน้าการุณาแล้วก็นั่งเฉยอยู่งั้นใช่ไหมแล่ยยังไงต่อก็ขวนขวายในการที่จะบทเบื้องความทุกข์ให้กับเขาจะไปเจริญอุเบกขาได้ไหม วาระนั้นยังไม่ต้องก่อนนะฮะจะไม่เล่าต้องรีบไปขวนขวายช่วยเหลือเขาก่อนเว้นไว้แต่ช่วยไม่ได้ใช่ไหมทำยังไงก็ช่วยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ย อ, อย่างงั้นก็อุเบกขาก็วางใจเป็นกลางเพราะสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมมันง่ายอย่างใ น, นคําว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไปไปมามกลายเป็นคนแรงน้ําใจนะเช่นเออเนี่ยได้ข่าวว่าน้ําท่วมเพราะงั้นนะโอ้โหคนเดือดร้อนกันมาก แล้วก็สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเขาบอกว่านี่ยังไงเนี่ยรู้สึกไฟมันไหม้ตรงนี้เขาไม่มีที่อยู่โอ้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วไม่เคยขวนขวายอะไรเลยลก็เป็นไปอย่างนี้ลักษณะนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกมันเฉยเมยเฉยเมยเขาเรียกอัญญานุปเปกขานะเฉยแบบไม่รู้เรื่องเฉยที่เป็นไปกับโมหะนะให้กรุณาก่อนแล้วก็ขวนขวายในการที่จะช่วยเหลือที่เป็นต้น เออตรงนี้ก็คือเมตตาเนี่ยในสถานการณ์นในสถานการณ์ที่คนอื่นอยู่เป็นปกติเนี่ยต้องเจเกี่ยวข้องกับเมตตาถ้าการุณาใช้ในสถานการณ์ไหนสถานการณ์ที่คนอื่นเขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนถ้ามุติตาใช้ในสถานการณ์ไหนเออในสถานการณ์ที่คนอื่นเขา ได้ดีมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาใช้ในสถานการณ์ไหนในสถานการณ์ที่จะรักษาธรรมตามความรับผิดชอบของกรรมที่เขากระทำคือต้องการจะรักษาธรรมรักษาความถูกต้องตามกรรมที่เขากระทาเช่นผู้พิพากษาเนี่ยตัดสินตัดสินคดีความทั้งหลายนยผู้พิพากษาต้องใช้พรหมวิหารข้อไหนเยอะ ผู้เบีขาเห็นไหมราหนึ่งผู้พิพากษาไม่ได้มีหน้าที่ไปไปฆ่าเขาไปลงโทษเขาหรือไปปล่อยเขาผู้พิพากษาไม่ได้มีหน้าที่นั้นเลยแต่ผู้พิพากษามีหน้าที่ในการที่จะรวบรวมข้อมูลเหตุและผลของการกระทำของท่านผู้นั้นท่านผู้นั้นกระทำดีหรือไม่ดี ก็ตัดสินไปตามการกระทำของท่านผู้นั้นเมื่อเขากระทำไม่ดีก็เป็นเพียงแค่ผู้บอกเหตุและบอกผลว่าเขาควรได้รับอะไรจากการกระทำนั้นๆแต่ที่สุดจริงๆไม่ใช่ผู้พิพากษาเป็นคนทําให้เขาเจ็บปวดหรือไปทรมานเขาแต่กรรมคือการกระทำของเขาที่ไปทําผิดกฎเกณฑ์กติกาเหล่านั้นต่างหากเป็นตัวกระทาให้เขาได้รับความทุกข์เห็นไหม ธรรมะเอสภาพที่เขากระทำเองผลของการกระทำเียดที่เขากระทำไม่ดีเองเขาก็เลยต้องได้รับผลจากการกระทำนั้นผู้พิพากษามีหน้าที่อ่านบอกว่าเขาควรจะได้รับแค่ไหนอย่างไรตามกฎเกณฑ์ตามเหตุผลตามข้อมูลที่รับมาเท่านั้นแต่ไม่ใช่ผู้พิพากษาไปใส่ความรู้สึกว่าไอ้นี้จงตายไม่ใช่อย่างนั้นเขาจยังหรือ กรณีที่เหตุผลมันไม่พอข้อมูลมันไม่พอการกระทําผิดของเขามันไม่เพียงพอต่อการที่เขาจะรับจะรับโทษผาษาทู้พิพากษาธิ่ไตัดสินปล่อยเขาให้เขาเป็นอิสระเป็นเสรีภาพเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นผู้พิพากษาเป็นผู้กระทำนะแต่การกระทําของเขาต่างหากข้อมูลที่ผู้พิพากษารับมาต่างหากผู้พิพากษาเป็นแต่เพียงผู้อ่านใช่ไหมเป็นผู้อ่านก็คือในสถานการณ์ที่จะรักษาธรรมะตามความรับผิดชอบ ต่อกรรมที่เขาก็ทําเขาก็ททำดีเขาก็ควรได้รับสิ่งที่ดีเขาก็ททำไม่ดีเขาก็ต้องได้รับสิ่งที่ไม่ดีพอมองออกไหมแต่ผู้พากษาไม่ไม่ใช่ไปลำเอียงเลือกที่รักผักที่ชังวางใจเป็นกลางแต่ไม่ใช่กลางแบบไม่ทาอะไรยากไหมอุเวกานี่ยากไหมเอาพวกเรากลับไปเนี่ยต่อไปเราจะต้องไปเจริญพรหมวิหารให้ครบไหม โดยมากเราขาดข้อไหนเราขาดอุเบกขาใช่ไหมต่อไปกลับไปถึงบ้านป๊บก็เรียกที่บ้านประชุมว่าฉันเรียนพมวิหารศึกษามาแล้วฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมฉะนั้นต่อไปฉันจะใช้ธรรมะให้ถูกต้องเป็นโดยตามบุคคลเป็นไปตามการเป็นไปตามเวลาฉะนั้นสถานการณ์พฤติกรรมของฉันจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมหน่อยคุณต้องไม่ว่าฉันได้ไม้ม ไปชมให้เขารู้เรื่องนี่เมตตามันเป็นอย่างนี้ใช้ในสถานการณ์ถ้าคุณปกติฉันจะเมตตาคุณบอกเขาเงี้ยถ้าในยามที่คุณประสบความทุกข์เดือดร้อนฉันจะกรุณาคุณในยามที่คุณประสบความสําเร็จเนี่ยฉันจะมุทิตาใช่ไหมในยามที่ฉันต้องการรักษาความถูกต้องดีงามทั้งหลายในรักษาธรรมตามความรับผิดชอบของกรรมที่เขาก็ะทำเนี่ยฉันก็จะวางใจเป็นกลางเป็นอุเวกขาเราไปบอกเข า, านี้ได้ไหม ได้ไม่ได้เอา้าถ้าเกิดสามีเขาบอกว่าเอองั้นคุณก็จงมุทิตากับฉันได้แล้วตอนนี้ฉันไปมีภรรยาอีกคนแล้ว <c oughs> เราจะทํำยังไงเราจะทํำยังไงเราจะตกใจไหมตอนนั้นจะเจริญข้อไหน <c oughs> อา้าวถ้าสามีเขาไปมีภรรยาน้อยเอ๊น้อยหรือมาก <c oughs> เรียกไงดี เขาเรียกอนุภรรยาแปลว่าอะไรอนุแปลว่าน้อยก็ได้แปลว่าตามก็ได้นี่แปลว่าไงดีเนี่ยมีเมียน้อยหรือเมียมากมากหรือน้อยมีเมียเพิ่มอ่ะเราอย่างงี้ควรมุทิตากับเขาไหมหรือควรยังไงนี่เจริญภพมิหารไม่เป็นแล้วเนี่ย เบขาแบบไหนร้องไห้โฮนี่นะร้องไห้โฮนี่อเวขาหรือเจริญข้อไหนข้อไหนใช่เมตตาไหมหรือการุณาหรือมุทิตาเอาใช้ข้อไหนเอากลับไปปุ๊บมาปฏิบัติธรรมแล้วสมมุตินะขออย่าให้เป็นแบบนั้น อ้าวกลับไปปุ๊บเนี่ยถ้าเขามีมีใหม่เนี่ยเราจะเจริญเอาใครว่าเมตายกมือดิใครว่าการุณาใครว่ามุทิตาใครจะใช้อุเวขาใครบอกยังนึกไม่ออกจริงๆข้อไหนจริงๆมันพลอยยินดีได้ไหม ได้จริงๆฮะมาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะออประมาณสามีอยาออกกำลังกายตีสามแทบทุกวนันออกไปวิ่งวิ่งแล้วย อ, ยอมคนนี้ยรักสามีมากแล้วก็โอโ้ใครก็พากันยกย่องแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยพออายุมากขึ้นผู้ชายคนนี้ก็ตายนะ ตายเธอก็ร้องก็ร้องไห้มาที่สามีตายในงานศพเเนี่ยงานศพล้องไห้มาทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องลดน้ำศพใช่ไมเวลาตายก็จะทำปกติใครเคยไปงานลดน้ำศพไหมเคยไปไหมเขาจะเอามือออกมาแล้วก็จะแต่งศพให้ดีๆเนี่ยภรรยาคเนียก็ น้ำแล้วก็พรรนาขอโทษที่โอ้ยมันเป็นภรรยาทำหน้าที่ที่ได้ไม่ค่อยดีอะไรต่างก็ร้องให้ในขณะเดียวกันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งจงเด็กมาด้วย <c oughs> จงเด็กมาด้วยแล้วก็บอกว่าให้ใ ห, ให้ให้มากราบพ่อเป็นครั้งสุดท้ายสิ <c oughs> อะไรเกิดขึ้นรู้ั้ย <c oughs> ผู้หญิงคนนี้ที่กำลังจะเอาน้ำลดมือขอขึ้มา เลยใช้ขันโขกศีรษะสอกเต็มที่เลยแล้วก็ด่าด้วยบอกแมมกูหลงบูชามึงมาทั้งนั้นนี่แต่คงไม่ใช่พวกเราแต่นี่ข่าวมันออกมางัน้นะมาดูโอ้โหเรื่องใหญ่นีนแกไม่เคยรู้เลยว่าสามีที่ไปวิ่งตอนตีสามเนี่ย แค่จริงไปมีภรรยาคนขยันวิ่งตั้งแต่ตีสามทุกวันกลจะกลับก็หกโมงแกก็ไม่เคยตามออกไปดูวิ่งไปไหนจะไม่ที่ไหนได้ไปมีภรรยาเดี๋ยวกลับไปเป็นระแวงหรือเปล่าระแวงไหมกลับไปบอกนับตั้งแต่วันนี้ไปห้ามวิ่งออกกาลังกาย <c oughs> <c oughs> เออตรงนี้เป็นเรื่องที่คือจริงจร ถ้าเขากระทาผิดเขาควรรับผลของการกระทำใช่ไหมเออเนี่ยไม่ใช่วาละที่จะเป็นเมตตากรุณาหรือมุทิตาแล้วนี่เขาเรียกวางใจเป็นกลางเราก็ต้องยืดอกขึ้นมาไม่ควรไปร้องไห้บอกว่านี่คุณกระทำเองนะคนก็ต้องรับผลของการกระทำด้วยเ <c oughs> จะปวดไหม ก็ต้องให้เขารับผลของการการะทาจริงๆถ้าเราชัดเจนอย่างนี้นะชัดเจนในการปฏิบัติธรรมะเหล่านี้มันก็จะอยู่ได้นะอยู่ได้ด้วยการที่มีธรรมะหล่อเลี้ยงใจเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ก็คือเบกขาเนี่ยเป็นธรรมะที่จเจริญค่อนข้างยากฉะนั้นในสถานการณ์ปกติเนี่ยเมตตาเป็นไปโดยการเกื้อกูลสัตว์ทั้งหลาย กิจหรือการงานของเมตตาเนี่ยมีการน้อมนะน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้เขาเวลาเมตตาเกิดขึ้นเนี่ยใจน้อมนำปรารถนาจะหยิบยื่นประโยชน์ให้กับเขาอันนี้ก็แปลว่าธรรมะเหล่านี้ต้องกำกับไว้ที่ใจเหมือนเราเนี่ยเราน้อมนำประโยชน์ให้กับเขาหรือในขณะที่เราจะแผ่เมตตากับตัวเองเนี่ยน้อมประโยชน์แล้วก็มานึกถึงยังไว่าตอนนี้เราเป็นปกติไหเนี่ย เราเจริญเมตตามีความรักปรารถนาดีเ อ, อื้อทอริกับตัวเองเนี่ยใจมันก็ออกไปกับเมตตาจริงๆมีความรากักความปรารถนาดีจริงๆอย่างนี้เปต้นและสังเกตดูว่าเมตตาเนี่ยมันกําจัดอะไรอาเมตตาเนี่ยกำจัดอะไ ร, เ, เ, ะไรเวลาเมตตาเกิดหรือไม่เกิดดูตรงไหนดูโทสะหรือดูตัวพยาบาทเนี่ยมันลดลงหรือมันเพิ่มลดหรือเพิ่ม าะนั้นคนที่มีเมตตามากๆเนี่ยไอตัวโทสะหรือพยาบาทเนี่ยความมาฆาาความพยาบาทเนี่ยมันจะลดลงลดลงอะตอนเนี้เรามีโทสะไหมหงุดหงิดบ่อยไหมอาการหงุดหงิดเนี่ยก็เรียกโทสะนะเช่นจเจริญอาณาปณะทํำยังไงก็ไม่ได้ทำยังไงก็ได้เครียดเครียดจินไหมเวลาเครียดกินทําไมเขาต้องให้จเจริญเมตตาก่อน เริ่มเห็นมุมเลยอย่างเดี๋ยวนี้ว่าเออจะต้องฝึกเจริญให้ใจเป็นไปกับเมตตามีความรักความปรารถนาดีความเมื้อทอนก่อนอย่างเงี้ยให้ใจเป็นไปกับเมตตาเกิดความรักเนี่ยเพราะว่าเมื่อเมตตามีกําลังเกิดมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยมันไปตัดรอนอะไรไปทําลายอะไรมันทำลายความโกรธความเครียดความหงุดหงิดทั้งหลายงั้นความโกรธความพยาบาทความเครียดทั้งหลายเนี่ย ความที่มีใจไม่ดีทั้งหลายนี่แหละชอบหงุดหงิดไม่พอใจน้นไม่พอใจนี้บ่อยๆเนี่ยคนที่มีอาการแบบนี้บ่อยต้องเจริญอะไรเอาใครเป็นคนเครียดบ่อยหงุดหงิดบ่อยฉะนั้นเมตตาต้องเจริญให้มากเจริญให้ใครก่อน <Okay. S 1> บอกบางคนบอกเจริญเมตตาตัวเองบอกเจริญให้ตัวไหนไม่เคยเห็นตัวเองมาเลยเนี่ยจะเจริญให้ตรงไหนดีตัวเองอยู่ตรงไหน ใหเจรินยังไงเอาเจริญเม่ตายให้ตัวเองเนี่ยก็นั่นแหละขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงมีอะไรมีความสุขความสุขก็คือสุขกายสุขใจนั่นแหละขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรแก่ใครๆครเลยใช่ไหมเวรมีเท่าไหร่เวลามีกี่อย่างไปฆ่าเขาเนี่ย ถือว่าไปผูกเวรกับเขาไหมไปรักไปพูดผิดในกรรมไปพูดเท็จใช่ไหมไปดื่มสุรายาเมาเป็นต้นอันนี้เป็นการไปผูกเวรแล้วฉะนั้นขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีเวรต่อใครๆขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีจิตคิดพยาบาทก็คือต่อไปเราจะไม่คิดพยาบาทใครอีกแล้วจะไม่โกรธใครอีกแล้วนี่ย นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ให้ความโกรธนั้นมาอยู่ในใจของข้าพเจ้าอีกแล้วทำได้ไหมพูดได้ไหมทำได้ไหมพูดง่ายทำทำเพราะอะไรมันดีไงโกรธเขานี่ดีหรือเวลาโกรธแล้วเนี่ย คนที่โกรธเนี่ยเขาให้ดูอะไรนะเคยเห็นในเคยเคยจุดไฟไหมไอ้ไม่ขีดที่เป็นกล่องอะวเวลาเอาไปสีกับข้างกล่องปุ๊บไฟมันติดอะไรก่อนมันไหมอะไรก่อนมันไหมหัวไม่ขีดแล้วก็มาไหมก้านไม่ขีดพอไหมก้านไม่ขีดเบดเสร็จแล้วก็ไปไหมกล่องขยะใช่ไหม พไม้กองขยะเบียเสร็จแล้วต่อไปมันก็จะไปไหม้บ้านไหม้เมืองเป็นต้นเหล่านี้ที่นั้นกรณีที่เราไปโกรธคนอื่นเนี่ยไอ้ความโกรธนะั้นมันเผาใครก่อนเออมันเผากระแสะชีวิตของเราก่อนเออดูซิเนะี่ยถ้าเวลาความมึนเกิดขึ้นมาแล้วเนะี่ยมันกล้าแม้กระทั่งทำลายตัวเองนะเผาตัวเองเนี่ยแล้วก็ไปเผาคนอื่นนี่นความโกรธเป็นแบบนี้แหละ ให้สังเกตเวลากโกรธขึ้นมาเนี่ยหัวใจมันเริ่มเต้นแรงปึ๊บปึ๊บป๊๊ บ, บ, บ, บขึ้นมาเลยมันเผาที่ตั้งมันแล้วนะเข้านเข้ามันก็จะเริ่มแล้อวอวัยวะทุกสัดส่วนก็โดนไฟคือโทสะเผาหมดเลยนะผมคนเล็บคนที่โกรธมากๆก็ว่าผมจะงอกเร็วจริงเหรอเลยเดยมองก็แสดงว่าท่านโกรธมากท่านผมงอกหมดแล้วเป็นไ ง, ไงั้นไหม ก็เนไฟคือโทสะมันก็เผาเผาลงนี่โทสะฉะนั้นเมตตาเนี่ยเขาจะทำลายโทสะนะทำลายโทสะอะไรเป็นเหตุใกล้ของเมตตาทำยังไงเมตตาถึงจะเกิดง่ายวิธีที่จะทำให้เมตตาเกิดง่ายก็คือว่า มองจุดเด่นของคนได้ง่ายห้ามมองจุดด้อยถ้าไปมองจุดด้อยแล้วโทสะมันจะเกิดพยายามเห็นจุดเด่นจุดมองง่ายไหมจุดเด่นของมนุษย์เนี่ยง่ายไหมมองถึงการกระทำเขาก็ดีนะคำพูดเขาก็ดีเป็นต้นพฤติกรรมก็ดีเนี่ยแต่ถ้าไปมองจุดด้อยดูทิดูพฤติกรรมมันที ดูมันนั่งดูดูนั่งดีนะฟังคำมานั่งหยิกหยิกงอเนี่นะรรมมน ย, ย โ, โหโกอดกินเลยตัวนะี้ใช่ไหมเอาคนที่จะมานั่งพูดแบบเนี้ต้องวางใจเก่งนะถ้าองนั้นโทรศัพ์เกิดไหมโอ้โหเนี่ยมองไปเห็นหลายคนนั่งบางคนนั่งตั้งใจฟังใช่ไหมบางคนนั่งหยิกหยิกงอใช่ไหมไอ้ใหม่ใหม่ดูนั่งตัวตรงดีสักพักนึงเริ่มงอหยิกลองหยิกลองบางคนก็นั่งหน้าเศร้า บางคนก็ทําท่าไม่ค่อยพอใจอะไรเงี้ยนะเยอะแยะหมดเลยนะถ้าไปมองจุดด้อยแบบนี้โทสะเกิดไหมมันจะเกิดเอาแล้วต้องระวังนะนี่ต้องเหมือนเหมือนเวลามานั่งปฏิบัติเนี่ยสังเกตดูนั่งเออไอเราก็ต้องการความสงบไอ้คนหนึ่งก็มานั่งกลนอยู่ใกล้ๆเนี่ยโกรธไหมหรือลุกขึ้นก็ดังเดินผ้ามาถูกเราบ้างอะไรบ้างเนี่ย เออบางบางที่ที่เขาไปนั่งปฏิบัติกันมากๆเนี่ยโอ้โหต้องวางใจเยอะมากเสียงไอบ้างบางคนนะนะบางคนเสียงจามออกมาบ้างอะไรไม่รู้เสียงอะไรรบกวนหมดเลยงั้นงั้นตรงนี้ก็ต้องพยายามวางใจให้เป็นให้เข้าใจเขาโอ้เขามีความทุกข์เขาใช่ไหมเขา้องมีความทุกข์ของเขาเข้าใจอย่างเขาทุกข์เขาเขาทรมานเขาเขาลาบาก บางทีเรานึกอทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอย่างนี้ลุกขึ้นว่าอย่างนี่จะขยับไปไกลๆก็ไม่ยอมขยับมันนั่งอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยว่าทรบกวนเราอยู่ตลอดเวลาเลยกรรมฐานไม่เดินเลยไปคิดอย่างนี้ถ้าใจอย่างหรือบางทีเราอยากจะเราลืมตาขึ้นมาใช่ั้มเราเผิอเราต้องลืมตาเห็นอีกคนนึงนั่งหลับสับปประงกอยู่นั่นแหละกรธดขึ้นมาเลย เคยเป็นไหมรู้สึกมานั่งทำไมไอ้คนคนนี้เขานั่งกันดีๆไอ้คนนี้ก็มานั่งหลับอยู่นั่นแหละเป็นไหมถ้าคิดอย่างเงี้ยเมตตาจะเกิดไหมอาจจะคิดให้เมตตาคิดยังไงอ๋อเขาเขาานั่งหลับเขาก็มีความสุขเขาน้อนเนี่ยเขามีความสุขเขานั่นเนี่ยอ๋อขอให้เขาหลับดีๆนะเนี่ย ให้หลับลึกๆถ้าท่านคิดอย่างเงี้ยเมตตามันเกิดใช่ไหมแต่ถ้ามองว่าโดนทำโดนทำโยกไปข้างหน้าไม่พอโยกซ้ายโยกขวาอีกดูดู ด, ดูเดี๋ยวล้มล้มจนได้เดี๋ยวล้มจนได้อย่างเงี้โอ้ไปลุ้นเขาเลยตอนนั้นมาไปไปจัด ตอนสมัยก่อนก็จัดสำเนีนภาคดูร้อนเอาเด็กๆมานั่งกระมาฐานเนี่ยโอ้โหมันนั่งหลับกันเด็กไะนะเวลานั่งเยขาหลับจริงๆเลยนะนั่งๆแป๊บหนึ่งเขาล้มตูมลงเลยนะเราพวกเรายังไม่มีขนาดนั้นนะ ม, มีเนียนอยู่คนนึ่งเอามาก็าพยายามจับเขาลุกขึ้นเขย่าเขย า, ขยาเนี่ยนะเขาก็ไปนั่งแป๊บหนึง่งเขาก็หลับอีกแล้วเอามาบอกไปล้างหน้าไปก็ให้เขาไปล้างหน้าในห้องน้ำ มาก็บอกพยายามสอนเน้นที่เหลือทั้งห้าสิบกสิบนี่เอ๊ะเน้นอีกคนหนึ่งไม่มาให้ไปเข้าห้องน้ำอ้ย เ, เป็นอะไรหรือเปล่านี่เอามาเนี่ว่าโอ้โหนี่เขาไปล้มในห้องน้ำมั้งตั้งเกือบสาสิบนาทีมาเข้าไปเห็นก็นอนกลนคลอกคลอกในห้องน้ำในห้องน้ำนี่เด็กเนี่ยห้องน้ำมันก็นอนหลับได้นะแต่พวกเราคงไม่ถึงขนาดนั้นคงไม่ถึง ลักษณะงั้นถ้าเวลา <c oughs> มาปฏิบัติกับคนเยอะๆเนี่ยถ้าจะทำเมตตาให้เกิดขึ้นเนี่ยต้องมองจุดเด่นนะคือภาวะที่เห็นเห็นที่น่าเจริญใจของสัตว์ทั้งหลายคือเราสามารถมองเห็นสิ่งที่เจริญใจได้แม้ในขณะที่คนเขากำลังกลังทำอะไรทุกอย่างจะเห็นคนที่เ้าเดินก็เห็นหน้านเจริญใจได้น่ารัก เห็นคนเขานั er ่งก็โอ้หน่ารักนี่นะคนที่เขาเดินนะคนเดินเอียงก็น่ารักนะคนเดินงง้มไปข้างหน้าก็น่ารักเดินคล้ายๆเหมือนนี่นะเท้าไปข้างหน้าไอ้หัวอยู่อย่างเงี้ยก็น่ารักนี่นะแล้วเราเราลองสังเกตคนประเภทนี้เมตตาเกิดง่ายอ่ะเราลองไปยืนอยู่ท่ารถเม์เราจะเห็นคนวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงนะแล้วแล้วแล้วมองจุดเด่นนะ ฝึกมองจุดเด่นของมนุษย์หรือนั่งรถไปก็ได้เห็นรถติดเนี่ยก็รู้สึกยิ้มอะชื่นใจอะเห็นบางคนเขา ท, ทาท่ามาก็เจอยอมผู้หญิงคนหนึ่งขับรถมาแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนั่งมาด้วยคงจะเป็นลูกลูกนเะนี่นี่เธอขับรถมาก็รถก็มาติดอยู่มันติดอยู่ด้วยกันเนี่ยรถติดแล้วเธอก็พูดอย่างคงพูดสอนเด็กอะไอเด็กมันก็หลับตาปี แล้วอามาก็มองมองไปที่เด็กเด็กเขาก็มองมาที่ฉันฉันก็ยิ้มให้เด็กเด็กเขาก็ยิ้มให้ฉันไอ้ทั้งแม่ก็ไม่เห็นเราขับรถแล้วก็บ่นเรืเ่อยบ่นและวอามาดูน่ารักดีเออคนบ่นก็น่ารักนะยมเนะคนที่พูดเน่ยอามาก็นึกในใจนะเวลาเห็นก็คนพูดเยอะๆอามาก็บอกเออเขาคงทุกข์เขาเขาพูดมาอย่างนี้ขอยเขามีความสุขจากการได้พูดนะ เขาได้พูดแล้วขอให้เขามีความสุขเอ้ยเนี่ยถ้าถ้าเราสามารถมองจุดจุดเด่นอย่างนี้นะมองภาวะที่สัตว์ทั้งหลายน่ารักเนี่ยยมจะไม่มีความทุกข์และอันนี้เป็นจุดแรกของการฝึกสมาธินะเขาเรียกปลาโมดเกิดง่ายคนที่ไม่มีความล่าเลิงใจในชีวิตเนี่ยจเจริญสมาธิยากแต่ถ้าคนมีภาวะจิตแบบนี้ฝึกสมาธิง่ายือมองมันดีอะ แต่ไม่ใช่ดีแบบไม่รู้เรื่องนะดีแบบรู้เรื่องนะรู้เรื่องแล้วเข้าใจทำได้ไหมกลับไปเนี่ยคนจะแปลกใจเราเลยนะว่าเออมาปฏิบัติแล้วไม่ใช่เป็นบางคนมาปฏิบัติแล้วแปลกเครียดไม่พูดกับใครทำหน้าตาแบบทมึงถึงน่ากลัวด้วยสมัยก่อนอาตมานึกว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมะต้องทำหน้าแบบนั้น ตอนอามาบวชใหม่ๆเนี่ยนะไปปฏิบัติกับครูอาจารย์เนี่ยโอ้โห oh, แล้วแล้วแล้วกลัวไอ้ตอนนั้นในมีดโกนก็ไม่ค่อยมีปล่อยหนวดเข้าออกขึ้นมาเนี่ยเยอะแล้วต้องไม่พูดกับใครเพราะเราเห็นคนเขาไม่พูดเราก็ต้องทำเป็นไม่พูดกับเขาให้อดกับเขาที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไปทำหน้าตาทมึงถึงการการปฏิบัติธรรมต้องล่าเริงต้องล่าเริง นี่เมตตาเป็นแบบนี้ฉะนั้นภาวะถ้าจะให้เมตตาเกิดก็คือสามารถที่จะมองเห็นจุดดีของสัตว์ทั้งหลายย่อเหม็นคนเ็าทะเลาะ ก, กันเนี่ยยอมมีความสุขได้ไหมสามารถเอาประโยชน์จากคนที่เขาขัดแย้งกันได้ไหมเออเห็นปั๊บเนี่ยเราก็มองเออก็ดีนะเขาพยายามที่จะหาสแสวงหาจุดร่วมกันเนี่ยนะ ก็าสงวนจุดต่างสแสวงหาจุดร่วมเหนเขาบางทีเนี่ยสังเกตตัวที่คนที่เขาทะเลาะกันเรื่องประเทศชาติเนี่ยเขามีจุดร่วมกันนะก็คือเขาอยากให้ประเทศชาติเจริญเอามาก็นั่งฟังก็นะบางทีคนมาหลายๆกลุ่มเขามานั่งเล่าให้พักฟังเนี่ยมาก็ฟังเออดีนะเอามาฟังฟังเออเขาก็พยายามบอกว่าเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นอะไรต่างเขาก็ว่างเข้าไปแต่แต่ทุกคนเนี่ย ทุกคนก็มีจุดเดียวกันเลยนะเขาอยากให้ประเทศชาติเจริญเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าวิธีการเขามันต่างกันนี่นั่นเองโอ้ทั้งนั้นเดียวเครียดตาเลยนะอยู่ที่ยุ้ยพูดเนี่ยเพราะปฏิบัติไม่เหมือนกันเลยอะ่ะเดี๋ยวยุบหนอพองหนอใช่ไหมล่ะใช่ไหมยุบหนอพองหนอก็มีพุทธโทก็มีสัมมาอรหังก็มีใช่ไหมเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามก็มีอะไรเยอะหมดใช่ไม่ห่ นัเข้านัเข้ามาทีนี้อานาปณะอีกแล้วยอมเครียดไหมเนี่ยเครียดไม่เครียดเครียดไหมนัเข้านะกเขามึนเลยแต่เนี่ยก็บอกโยมพูดเป็นตลาดพิชาใครมาเจอหมดเลยที่เนี่ยใช่ไหมล่ะนัมาก็ไปดูประวัติความปฏิบ live ัต eh ิของพวกเราแล้วโอ้โหพอเห็นแล้วมาชื่นใจนะ บางคนบอกโอ้เนี่ยเคยอยู่เคยปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอมาแล้วบางคนก็บอกสัมมาอรหังมาแล้วบางคนก็บอกพุทโทมาแล้วบางคนเคยปฏิบัติสติปัฏฐานแบบสิบสี่อย่างมาแล้วอะไรก็ไ ร, ไรมาม า, มาเห็นเออน่ารักดีนะเนี่ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คืออยากจะพ้นทุกข์กันนะ่ะอยากจะพ้นทุกข์แต่ว่าประเด็นมันก็อยู่ว่าเอาละเราจะเข้าใจวิธีการ หรือคำสอนได้มากน้อยเพียงไรอันนี้ก็มาปรับกันอีกทีใช่ไหมแต่เรามีจุดเดียวกันแล้วจุดเดียวก็คืออยากคนทุกข์แต่ทำยังไงที่เราจะมาปรับให้เข้าสู่คำสอนมันให้ถูกต้องนี่ถ้าเรามองแบบเมตตาแล้วก็ไม่โกรธใช่ไหมอระบารต่อไปคือกรุณาแปลว่าอะไรใช่ในสถานการณ์ไหนใช่ในสถานการณ์ไหนใช้ในสถานการณ์ที่คนอื่นตกทุกข์เดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยากการุณาเป็นไปโดยการที่ต้องการจะปลดเปลื้องความทุกข์แก่สัตว์ทั้งหลายใช่ไหมการที่เราจะปลดเปลื้องความทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายต้องดูศักยภาพตัวเองไหมดูไม่ดูตอนนี้ถ้าเราเห็นคนเขาทุกข์ทุกข์เพราะเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจคําสอนเราเห็นเขากําลังขวนขวายอยากจะพ้นทุกข์โดยผิดวิธีโดยไม่ถูกวิธีอย่างเนี้ย แล้วเราก็อยากจะไปช่วยเขาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนไหมแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราไปช่วยเขาได้ไหมเออที่สำคัญมากเลยต้องรู้เห็นไหมต้องต้องเข้าใจพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณกับเราไหม <c oughs> มีไม่มีคุณของพุทธเจ้าสามประการคือหนึ่งพระปัญญาคุณคือปัญญาที่สามารถแทงตลอดความจริงแทงตลอดสัจจะสีได้ จนสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้จากความที่เป็นพระพุทธเจ้าได้พระองค์จึงได้ความบริสุทธิ์ในความบริสุทธิ์เหล่านั้นเรียกว่าบริสุทธิ์ที่คุณเมื่อพระองค์ได้ทั้งพระปัญญาคุณทั้งบริสุทธิ์ที่คุณแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็มีพระปัญญานั่นแหละมาพิจารณาเห็นความทุกข์ของประชาตว์ทั้งหลายพระองค์ก็นิ่งดูดายไม่ได้ก็เลยเกิดมหากรุณาธิคุณขึ้นมาพระองค์ก็เลยประกาศคําสอนบอกคําสอน ในการที่จะนำคำสอนนั้นนะ่ให้สัตว์ทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อต้องการจะปลดเปลื้องความทุกข์ให้กัตสัตว์ทั้งหลายนี่พระเจ้ามีคุณสามประการใช่ไหมหพระปัญญาคุณ 2. บริสุทธิคุณสั้นคุณที่เป็นประโยชน์กับเราสุดๆเลยในะข้อไหนคุณนันไหน มหากรุณาที่คุณถ้าพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาคุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณก็ได้เฉพาะพระองค์เองแต่ถ้าพระองค์ไม่มีมหากรุณาที่คุณแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นคุณทั้งสามประการของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธคุณที่เราควรเจริญควรคิดควรนึกมันนึกบ่อยๆเลยนะโอ้โหเนะี่ย พระเจ้ากลัวจะได้พระปัญญาคุณมาพระเจ้าบำเพ็ญบา ร, รมีมายีสิประสงค์ไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากัรโอ้โหทนลําบากลองผิดลองถูกมาในสังสารวัตรอย่างยืนยาวโอ้โหในสุดจริงพระ อ, องค์ทําได้และตอนนี้พระเจ้ากระแสะขันของพระพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นพระเจ้ายังมีพระมหากรณาธิคุณเอาคําสอนมาบอกกล่าวมาเปิดเผยมาสแสดงมาแต่งตั้ง เพื่อจะเป็นเป็นการจุดคบเพลิงนะจุดคบเพลิงทำให้สัตว์ผู้มืดบอดได้เห็นแสงสว่างเนี่ยนึกถึงอย่างเงี้ยเราก็เกิดความซาบซึ้งในคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่พุทธคุณสามแล้วพุทธคุณสองนับยังไงทำท่านึกไม่ออกพุทธคุณสองนับยังไง พุทธคุณสาก็คือปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็มหากรุณาคุณใช่ไหมถ้าพุทธคุณสองนับยังไงเอาพุทธคุณหนึ่งก่อนนะตถาคตโพธิสัต t าเชื่อมั่นปัญญาตัดสู้ของพระตถาคตนี่พุทธคุณหนึ่งนะถ้าสองก็คืออัตถะสมบัติกับปรารถนสมบัติ อัตถสมบัติก็คือพระเจ้าเนี่ยสามารถทําตนเองนะก็คือบรรลุเนี่ยบรรลุเข้าถึงประโยชน์ได้สามารถทําตนเองให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้เนี่ยจนสามารถพึ่งตนเองได้อัตนาถาพึ่งตนเองได้ถามว่าพระเจ้าเนี่ยทำลายกิเลสคือราคาโทสาโมหะเมื่อราคาโทสาวโมหะ หมดสิ้นแล้วพุทธเจ้าได้ที่พึ่งเนี่ฮะในแหลรกแรกกได้พระุทธเจ้าจึงได้นามันอัตนาถาพึ่งตนเองได้เราล่ะตอนเนี้ขาจาักกิเลสได้ยังพึ่งตนเองได้ยังต้องพึ่งใครเออต้องพึ่งพระพุทธเจ้าใช่มพระพุทธเจ้าเนี่ยพึ่งตนเองได้แล้วเป็นอัตนาถ า, าแล้วต่อมาพระุทธเจ้าเมื่อจะเมื่อ ต่อมาพุทธเจ้าก็บำเพ็ญพุทธกิจพุทธจริยาในการที่ประกาศบอกกล่าวแนะนําให้กษัตริย์ทั้งหลายได้รู้ก็เลยอยู่ในฐานะเป็นโลกนาถาเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกใช่ไหมนี่พพุทธเจ้าได้คุณสองประการอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวกลับมากรุณาพระพุทธเจ้ามีมหากรุณาที่คุณอย่างเราเนี่ยนั้นกรุณาเป็นไปโดยการที่ปวดเรื่องทุกแก่สัตว์ทั้งหลายหน้าที่หรือเวลากรุณาเกิดขึ้นเนี่ย จะไม่นิ่งดูดายนะทนนิ่งอยู่ไม่ได้ต่อทุกข์ของสัตว์อื่นนั้นถ้าเห็นสัตว์อื่นได้รับความทุกข์พุทิยถาทนอยู่ได้ไหมไม่ได้เราเห็นคนอื่นประสบความทุกข์เราทนได้ไหมได้ไม่ได้เราเราคิดคนขวายช่วยคนอื่นไ้ยเวลาเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากเอเราคิดไหมเวลาเราหนาวเนี่ยคนอื่นหนาวกว่าเราก็มีหน้ากรุณาเขาเนะี่ยะคิดหม หรือว่าไม่เคยคิดแล้วเาขาอุ่นไว้ก่อนนะใจมันน้อมถึงคนอื่นไหมถึงไม่ถึงหรือโดยเฉพาะเฉพาะลูกเราสามีเราญาติเราเรากรุณาเฉพาะอย่างนี้ไหมจํากัดไหมกรุณาเราจํากัดไหมเนี่ยหรือแผ่ออกไปแผ่ออกไหมแผ่ไม่แผ่ฉะนั้นกรุณาเนี่ยมันจะแผ่ออกไปนะโดยกสัตว์ไม่เลือกหน้า ก็คือเห็นสัตว์ทั้งหลายประสบความทุกข์ก็คือไม่นิ่งดูได้ถามว่าการุณาเกิดขึ้นทําลายอะไรทําลายวิหิงสาวิหิงสาแปลว่าอะไรคิดเบียดเบียนเวลาเราเห็นคนขับรถปาดหน้าเราฟึดเราการุณาเขาเลยไหมโอ้ยขอให้เขาอย่าไปสอบความทุกข์นะให้เขาอย่าเดือดร้อน คิดอย่างนี้ไหมถ้ามีรถมีคนขับรถแซงเราปุ๊บไปข้างหน้าคิดไม่คิดกรุณาเกิดหรือวิหิงสาเกิดถามจริงจรงกรุณาเกิดหรือวิหิงสาเกิดอะไรเกิดต่อไปปฏิบัติธรรมะแล้วออกจะยุวพุทธไปแล้วนะ่ะจะให้อะไรเกิด นั้นเวลามีคนขับรถบีบแต่ปับป๊บป๊บ ป, ป, ปแสงเราใหญ่เลยนะสมมติ น, นะล้วก็เปิดกระจกไปทำไงต่อจะรีบไปตายหรือไง <c oughs> <c oughs> เอาอย่างไงดีจะพูดงไงดี <c oughs> คุณคระวังจะอันตรายนะเปิดเปิ ด, เ ป, ด, เ, ปดเปิดกระจกแล้วก็บอกเขาขับรถดีๆนะฉันเป็นห่วงคุณได้ไหม หรือมีคนขับมอไซค์ป้าแซงอย่างเร็วเลยเนี่ยแล้วก็โอ้ยขอให้เขาปลอดภัยเถิดเนี่ยคิดอย่างเงี้ยคิดเนี่ยการุณาจะเกิดแบบนี้ไม่ใช่ว่าอืเข้าใจยังการุณาวิหิงสาเนี่ยจะถูกทำลายแต่ถ้าถ้าวิถ้าคิดเบียดเบียนเกิดขึ้นการุณาจะถูกทำลาย แค่นั้นเราเป็นนักปฏิบัติธรรมมันต้องปฏิบัติได้ในชีวิตจริงเข้าใจยังการุณาจะต้องเพ่นพ่านออกมาขวขวายโอ้ไม่อยากเขาประสบความทุกข์ไม่อยากเขาประสบความทุกข์งั้นการคิดการุณาคนอื่นต้องการุณาทุกคนไหมการุณาทุกคนที่เขาประสบความทุกข์ถ้าคนที่เราเกลียดสุดๆเนี่ยเขากำลังถูกจับติดคุกมีความรูไ้ไ มันสะใจจริงๆวันนี้ไอ้อย่างนี้ใช่กรุณาไหมมีความรู้สึกโอ้กรุณาเขานั้นเนี่ยลูกเขาเดือดร้อนนะเนี่ยใช่ไหมลูกเขาก็เดือดร้อนภรรยาก็เดือดร้อนครอบครัวเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนอ้าวถ้าเขาทำผิดมาเออเราก็มาวางใจเป็นกลางเห็นไหมเนี่ยด้วยการที่ไปทาผิดทําชั่วกรรมก็ให้ผลอย่างนี้แต่ก็น่าการุณาเขานะอีกมุมหนึ่งใช่ไหมเราก็มองเป็นเขาใหย่ ย, ยง ไม่ใช่โอ้โหวันนี้กินข้าวอร่อยกว่าทุกวันเลย น, น, นี่เสียอะไรอย่างเงี้ยนักปฏิบัติธรรมเหม่มอามานั่งปฏิบัติธรรมแต่แต่ใจเนี่ยคุณภาพใจแย่หมดเลยใช่ไหมไม่มีคุณธรรมเลยแล้วปฏิบัติธรรมะยังไงเข้าใจอย่างเดี๋ยนี้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะหนึ่งหนึ่งใจจะต้องมีคุณภาพที่ดีแบบนี้ไม่ใช่ว่ามัน ทุกวันเนี่ยมันไม่มีการแนะกันในเรื่องแบบเนี้ยแล้วนักข้าวนักข่าว ก, ก, ก็ทะเลาะ ก, กันดีเลยเนี่ยมนุษย์เราก็คิดจะเบียดเบียนกันตลอดใช่ไหมเราก็เลยไม่มีคการว่าโอ้มันหน้ากรุณานีจริงๆรใช่ไหมหน้ากรุณาไหมเขาไม่รู้อ่ะ mm hmm. เอาคนเขาเรียกอะไรนะคนที่ชอบเวลาดึกดึกแล้วก็เอามอไซค์ออกมาเป็นร้อยร้อยคันมาขับกันเขาเรียกอะไรนะ mm hmm. เออเนี่ยเรากรุณาเขาไหมกรุณาไหม mm hmm. เอาเวลาเรานอนอยู่ตรง บ้านเราติดถนนด้วยเสียงโอ้โหเสียงนี่แสบโอเลยเปิดประตูมาโอ้โขอให้เขาอย่าได้เดือดร้อนเลยคิดงั้นไหมคิดไม่คิดหรือขอให้ขอให้ล้มกันให้ละเนละนาต่คิดงี้ไหมคิดอย่างนี้ไหมคิดแบบนี้เป็นคิดพยาบาทนะพยาบาทมโนทุจริตนะคิดเบียดเบียนเขานะนั่นการคิดเบียดเบียนเขานี่ขาดอะไรขาดการุณา ขาดการุณาเขาต้องไปคิดพยาบาทขาดเมตตาถ้าคิดเบียดเบียนขาดการุณาใช่ไหมแล้วตอนนั้นไปพอยินดีกับเขาได้ไหมสาธุ <laughs> ดีแล้วชัยโยต่อไปมันสุดย่อหัดเลยพวกนี้อะไรเงี้ยไม่ได้นี่ผิดจังหวะไม่ทำมันทําไม่ถูกกันพวกเนี้ยเขาไม่รู้เรื่องเด็กเหล่านี้เข้าไปด้วยความคึกขนองใช่ไหมด้วยความคึกขนอง อามาเคยไปบินทบาตนี่เนี่ยไปบินทบาตปกติไปบินทบาทไอ้ตอนเช้ามืดมีเด็กคนหนึ่งมันนอนขับขับมอไซค์อ่ะเอามาก็เดินไปนี่พระที่พลาที่บวชใหม่เดินตามเอามาอามานึกในใจไม่เค ย, ไ ม, เคยไม่ได้บอกวิธีคิดเขาพอพอมันขับรถนอนขับปั๊ดข้างหน้าเสียงพระดดา ฟาบวตรหมายด่าบกเสียงดา่าพิตายทั้ไปโอ้โหมีรถบรรทุกสวนมาย่างโอ้โหมันฟุบเข้าใต้ท้องรถบรรทุกเออมาเนื้อ ใ, ใจโอ้โหโันไฟป๊อปป๊อปแผลป๊ปปลปปอปเออผลปรากฏมันรอดเลยไม่ตายใ <laughs> นเด็กคนเนี้มันไม่ตาย ไม่พระยังไปซ้ําเติมไม่ให้น่าจะตายเรานี้ก็เฮ้ยท่านไปซ้ํางั้นได้ไงแล้วก็บอกแต่รถพังหมดเลยแต่มันรอดรอดใต้ตตท้องรถเป็นทุกได้มันพยายามจะเลี้ยวไม่เลี้ยวไม่ทันรถมันก็ล้มล้มก็ฟื้นไปเงี้ยมันก็ปุ๊บเข้าล้อเลยกลางข้างๆลา ง, างโอ้โหเสียวจริงจงแต่รอดพระยังไปซ้ําเติมนั่นนี่ อย่างเงี้ยลักษณะเงี้คือคิดเบียดเบียนก็กลับมาก็เลยต้องมาแนะนำพระท่านว่าเออท่านคิดแบบนี้เบียดเบียนเขานะเบียดเบียนเขาโดยะว่าเป็นพระเด้ออันนี้ก็าเขาดอะไรเนี่ยขาดการุณาขาดการุณานั้นพวกเราไม่ควรให้ขาดการุณาการุณามีเวลาการุณาเกิดขึ้นมันทําลายวิหิงสาอะไรเป็นเหตุใกล้อะไรเป็นเหตุใกล้ของกรุณา ทำยังไงกรุณนาถึงจะเกิดคิดยังไงกรุณนาถึงจะเกิดโอ้น่าอนาจนะสัตว์นี้ไม่รู้สัตว์นี้ไม่เข้าใจเขากำลังถูกความทุกข์ครอบงำเขาอยู่ถูกความป่วยทั้งจิตใจครอบงาเขาอยู่ถูกความมืดบอดครอบงาเขาอยู่ด้วยความไม่รู้นี่เนาะเขายึงทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สม ไม่ควรเขาคิดอย่างนี้กรุณาถึงจะเกิดเอาคนมายืนชี้นหน้าดา่าเราเนี่ยเราควรเจริญเมตตาการุณาเมตตาหรือเบคะเอาคนเจริญยังไงมีคนมายืนชี้นหน้าดา่าควรเจริญอะไรเจริญทศชาตเจริญอะไรเอาเจริญอะไร จะคิดยังไงอ่ะโอ้โหตอนนี้เขากําลังถูกไฟโทรสะเผาเผาที่หัวใจเขาคงเต้นแรงเลือดเขาฉูบฉีดอย่างแรงเลยนะโอ้เขาจะเป็นความดันไหมเสร็จแลหิตเขาจะแตกไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะขอให้เขาอย่าได้เดือดร้อนเลยอย่าเขาลําบากเลยกรรมที่เขาทําจะนําให้เขาเดือดร้อนในปัจจุบันและเดือดร้อนในอนาคตเนี่ยเขารู้จริงหรือไม่จริงเขาก็มาพูดในสิ่งที่เท็จบ้างจริงบ้าง สลับกันอยู่ตลอดเวลาหน้าการุณาเขาเนาะเนี่ยทำยังไงเนาะเราจะปลดเปื้องความทุกข์ให้เขาได้พอเขาพูดปากคอสันงักงักถามเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยดีไหมการุณาเนี่ยเขามองมองว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาประสบความทุกข์ จริงๆน้าการุณาไหมจริงๆคนที่เขาทําสิ่งที่ไม่ควรหน้าการุณา น, นี่เหตุใกล้เป็นเงี้ยฝึกให้เกิดนะเหตุใกล้ของเมตตาเหตุใกล้ของมุทิต เ, เหตุใกล้ของกรุณาแล้วก็เหตุใกล้ของอมุทิตาล่ะพอจะหมดเวลาแล้วละะมุทิตานี่ใช้ในสถานการณ์ไหนภาวะที่เขาประสบความสําเร็จมุทิตาแปลว่าอะไร พ อ, อยินดีมุติตาเกิดขึ้นเนี่ยก็คือไม่ลิษยาไม่ลิษยาเพราะว่ามุติตาเป็นปฏิปักษ์ต่อลิษยาผลปรากฏก็คือขจัดอะไรขจัดความลิษยาเมตตากำจัดพยาบาทกรุณากำจัดวิหิงสามุติตากำจัดลิษยาเอาใครชอบลิษยาคนอื่นโยกมือขึ้นไม่เชื่อมั้งไม่เคยลิษยาใครเลยเนี่ย เห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้เห็นคนอื่นคนที่เราไม่ชอบแล้วก็ประสบความสำเร็จมันทนไม่ได้ทนไม่ได้เป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงถามตัวเองอยู่นั่นแหละทั้งๆที่มันเป็นไปแล้วตั้งนานเนี่ยเคยไหมลิษยาคำว่าริษยาแปลว่าเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้เห็นคู่แข่งเราได้ดีประสบความสำเร็จแล้วทนไม่ได้ เป็นไม่เป็นเป็นไหมเป็นก็ยอมรับมาเชิญที่เอะท่านทำไมมาบังคับให้ยอมเป็นก็ยอมไม่เป็นไม่เป็นเอ๊ะทำไมอาตมายังเคยเป็นเลย เ, ออเรือว่ายมมีคุณธรรมมากกว่าจริงๆเป็นไหมเรียยานี่คือเห็นคนที่เราไม่ชอบแล้วเขาประสบความสำเร็จเห็นคนไม่ชอบเขาได้รางวัลที่หนึ่ง เห็นคนไม่ชอบเขาได้รับการยกย่องเห็นคนที่ไม่ชอบเขาได้ตําแหน่งเห็นคนที่เราไม่ชอบเขารวยกว่าเราเห็นคนที่เราไม่ชอบเขาดันมาสวยกว่าเราเป็นไหมคนคนนี้โอ้โหเราก็ไม่ชอบเลยนะว่างั้นเถอะพระอยู่ต่อมาเออทําไมเขาทําไมได้ดีกว่าเราเออให้สังเกต ด, ดูนะว่าเอางี้ ถ้าสามีเราอยู่กับเราทุกวันแล้วเขาไปชมคนอื่นว่าสวยเนี่ยเรู้สึกชื่นใจไหมชื่นใจไหมเขามาบอกว่าน้องแหม้เนี่ยเออคนนั้ น, นที่มันมาด่าเธอเมื่อวานเนี่ยเ อ, อคนคนนั้นสวยจริงๆไง อ, อ้าวรู้สึกชื่นใจเลยไหมชื่นใจไม่ชื่นใ จ, นใจเขาไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะ โอ้โหมัน ญ, ญาติเขาเรียบร้อยด้วยไอ้ที่เขาด่าก็ถูกทุกคำด้วยเอ้าเชื่อใจไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจเชื่อใจไห ม, ใ, มในลักษณะนี้เขารกลิสยาขยายยังนี่คือลิศย า, ย า, ยศยารู้สึกโอ้โหแทบหมดแรงเลยได้ยินคำนี้เนี่ยมันทนไม่ได้ ฉะนั้นในตัวมู้ทตาเนี่ยมีเหตุใกล้คือเห็นความสำเร็จของบุคคลอื่นอ๋อเขาประสบความสำเร็จเขาได้รับการยกย่องก็ชื่นใจชื่นใจไหวไหมแบบนี้ไหวไหมเนี่ยรักไหนเนี่ยรักไหนชื่นใจสรุปแล้วก็คือว่าเมื่อ เอามาเคยยกตัวอย่างค่อนข้างบ่อยมากเลยเนะตอนเมื่อปีใดสี่ปีห้าสี่น้ําท่วมไหมน้ําท่วมบ้านไหมอา้าวใครบ้านน้นําท่วมบ้านเนียยกมือที่ที่น้ําท่วมเออตอนที่น้ําท่วมบ้านเนี่ยไอคนที่บ้านไม่ท่วมน้ําน้ําเขาไม่ท่วมเนี่ยมีไหมช่วงนั้นเนี่ยมีไม่มีเราพอ ย, ยินดีกับเขาไหมชื่นใจเหลือเกินโทรศัพท์ไปหาเขาด้วย ฮัลโหลถามทำไมเนี่ยฉันบ้านฉันน้ำท่วมบ้านคุณน้ำท่วมไหมผมไม่ท่วมดีใจด้วยนะขอแสดงความยินดีด้วย <c oughs> เคยเคยแบบนี้ไหมเห็น <c oughs> มันมีความรู้สึกยินดีกับเขาที่กรรมไม่ส่งผลเขาเอเรานี่แย่เลยเงี้ยอามาอยู่ที่วัดน้ำก็ท่วมเมื่อปีก่อนไอมปีที่แล้วไปจำพรรษาที่แปดเลี้ยวเนี่ยก็ทั้งกลุ่มอาจารย์มีมชัย น้ำก็ท่วมอีกน้ำก็าตามไปท่วมอีกอามาก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวปีนี้แยกกันจำภรษาเฮ้ยยังไม่รู้ว่ากรำใครไม่รู้แต่เนี้ยก็เลยให้ท่านไปจำภรษาอยู่ที่อยู่ที่นคนปรปฐมอามากไปจำํำภาษาที่สุพรรณนี่จะได้ดูว่ากรำใครที่มันน้าท่วมเนี่ยจะได้มาเช็คเช็คสภาพกรมกันใหม่เดี๋ยไปจําไปอยู่ได้กันไม่ได้เดี๋ยวน้าท่วมอีก แม้ขนาดเมื่อปีที่แล้วเราก็พยายามเออไปอยู่ที่ตรงเนี้มีที่กั้นอย่างดีสบายแล้วงานนี่ที่ไหนแล้วมาท่วมซะจนได้เออประหลาดมากที่จริงข้างในที่อยู่ก็ไม่ท่วมเนี่ยมีอะไรกั้นอยู่แต่ข้างนอกโอ้โหท่วมหมดเลยมาก็สงสารชาวบ้านครับแล้วก็แต่นี้ตอนออกมาตอนกลางคืนอามาก็พายเรือ พระที่ท่านภายไว้เป็นอะมาก็ภายเป็นเป็นองค์ภายเลยไม่รู้ใครไปโอพสต์ภาพถ่ายภาพเอาไปออกอินเทอร์เน็ตโอ้ยแย่จริงๆอามาก็ไม่รู้ตัวนะว่าเขาไปถ่ายออกอินเทอร์เน็ตนะโยมนะเอาภออ า, า, าพไปโพสต์ภาพก็มีโยมคนนึงมาแต่มาทำน้ำตาซึมๆมาถามโยมเป็นไรเนี่ยท่านบอกสงสารท่านตามเขาที <initiate> ่ <riment i> ว่าน้ำที่จริงรที่ทามาอยู่ไม่ได้ท่วมหรอกมันรอบๆนอกมันท่วม แต่ตอนนั้นเข้าไปภายเรือเข้าไปเขาคงคิดว่ามากองภายเรือบินบาด ท, ทุกวันนึงจริงๆไม่ใช่หรอ <c oughs> เอาอุเบกขาใช้ในสถานการณ์ไหนสถานการณ์ในการรักษาธรรมะตามความรับผิดชอบต่อกรรมที่เขาทำเนาะ <c oughs> เป็นไปโดยการเป็นกลางต่อสัตว์ทั้งหลายนะลักษณะ ถามว่าอุเวขาเนี่ยมองเห็นความเสมอภาคของสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นถ้าหากคนที่จะมีอเวขาเนี่ยมองเห็นความเสมอภาคของคนทุกคนได้เห็นคนทุกคนก็เป็นไปตามกรรมหมดเลยใช่ไหมทุกคนสัตว์โลกทั้งหลายก็อเขาทําดีเขาก็ต้องได้ดีเขาทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีใช่ไหมถามว่าสัตว์เนี่ยเป็นไปตามกรรมไหมเป็นไปตามกรรมคือการกระทําของเขา จะเป็นชาวนาก็เพราะอะไรเพราะอะไรจะเป็นชาวนาก็เพราะกรรมจะเป็นทหารก็เพราะกรรมจะเป็นพยาบาลก็เพราะกรรมจะเป็นตำรวจก็เพราะกรรมใช่ไหมจะเป็นผู้ว่าก็เพราะกรรมจะเป็นนายอำเภอก็เพราะกรรมใช่ไม่ใช่จะเป็นปลัดกระทรวงก็เพราะกรรมจะเป็นอธิบดีก็เพราะกรรมจะเป็นรัฐมนตรีเพราะกรรมจะเป็นนายกกเพราะกรรมใช่ไหม แล้วจะมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่พุทธก็เพราะกรรมจะเป็นนักบวชก็เพราะกรรมคือการกระทําเข้าใจยังมันอยู่ที่เจตนาเราจะเป็นถามก่อนที่เราจะมานั่งจะมารักษาศรรีลนึ่งขาวห่มขาวเนี่ยเพราะเรามีเจตนาไหมมีเจต จ, จํานงมีความจงใจมีความตั้งใจที่จะมาแล้วก็มาจริงๆด้วยแล้วเลยมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ตอนนี้ก็เพราะเออเพราะกรรมของสัตว์ที่ทำมาเข้าใจคําว่ากรรมไหม เอาลึกลงไปอีกจะเป็นคนโกรธง่ายก็เพราะจะเป็นคนมีเมตตาก็เพราะแม้แต่จะบรรลุธรรมก็เพราะแม้เขาทำกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวกับการที่จะเขาบรรลุก็เพราะกรรมเออเรามองเห็นอย่างนี้ไหมเห็นว่าสัตว์โดยความเสมอภาคกันเลยนะเขาทําถ้าถ้าเขามีเจตจํานงทําความเครียดมากๆมาก ๆ, ๆเขาจะกลายเป็นคนมีโทสะเยอะก็เพราะกรรมเขาเนี่ยแหละ แต่ถ้าเขาจเจริญเมตตามากมากมาาเขาจะกลายเป็นอะไรเขาจะมีเมตตาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะอะไรอาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะกรรมสังเกตลองตั้งเจตนาแบบไม่รู้เรื่องอะอะไรเนี่ยลองตั้งดูนะเอ๊ะไม่รู้เรื่องเลยตั้งเจตจำนงงวะเฮ้ยงงวะเฮ้งงเยตั้งไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะงงไปจริงๆอลองตั้งดูนะ ยอมจริงๆยอมองตั้งดูลองตั้งเจตนาไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยยอมพูดบ่อยๆตั้งเจีตจำนงบ่อยๆแล้วยอมจำมืนทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นไปนั่งกรรมฐานเหมือนกันยากจังยากจังยอมทําอย่างนี้นะยากจริงๆไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ให้นั่งทําอะไรลแล้วมันจะมึนไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้านบองอ๋อไม่ยาก โอ้เนี่ยก็รู้เข้ารู้ออกเลยไม่ยากไม่ยากแล้วมันก็จะไม่ยากจริงฉะนั้นผลปรากฏผลปรากฏก็คือว่าระ ง, งับความขัดคือขัดเคืองความเสียใจและความคล้อยตามดีใจได้สังเกตดุไหมว่าถ้าคนเข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมแล้วจะไม่ขัดเคืองหรือจะไม่ไปเพลิดเพลินได้ตัณหา เพามันฉลาดใช่ไหมมีปัญญาเข้าไปรู้จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ฉั้นคนที่พิจารณากรรมผลของกรรมแล้วก็จะครเป็นคนที่วางใจเป็นกลางได้เออแต่อุเบกขาเพราะมิหารกัุเบกขาบา ร, รมีเนะี่ยมันคล้ายๆกันนะแต่มันคนละอย่างมันคล้ายๆกันมันใช้ฐานในการวางใจคล้ายกันเลยเหมือนพระโพธิสัตว์นะ่ยตอนพระโพธิสัตว์ที่ท่านเป็นฤาษี ท่นเป็นนั่งอยู่ไอลิงแสนซนตัวเนี้ยมันขึ้นไปบนศรีรษะท่านนะโอ้แต่อย่างเราเนี่ยงุดหงิดตายเลยนะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องลิงขึ้นไปขยม่มขย่มบนศีสะหรอกเอาแค่ตุกแกโดดใส่สีษะเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าวางใจเป็นกลางได้ไหมไม่ดีใจไม่เสียใจได้ไหมวางใจเป็นกลางได้ไหมเอาแค่แรงสาบแค่นั้นแหละกระโดดจับที่ศรีรษะแล้วมีความรู้สึกไง อันนี้ขนาดลิงนะลิงเข้าไปไปบนสีสางท่านก็ขยมขยมขยมแล้วก็ไปทายุจระใส่ศีษาท่านปัดเสวะใส่ท่านกัดบ้างอะไรบ้างเล่นบ้างเอาอะไรไปแหย่หูซา้ายแย่หูขวาแยแยจมูกแก้งหมดแล้วปิดจมูกบ้างอะไรบ้างท่านก็วางใจเป็นกลางประทัด ฐ, ฐานเขตใกล้ของเวขาก็คือ เห็นภาวะที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเจ้าของของกรรมนะมีกรรมเป็นมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนใครทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วใช่ไหมถ้าทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็ตามเบียดเบียนกระแสชีวิตถ้าทํากรรมที่ไม่กรรมดีกรรมดีก็ตามส่งเสริมกระแสชีวิตเออกรรมมันเป็นทรัพย์สมบัติที่ถาวรใช่ไหม เงินทองแก้วแหวนเงินทองรัตนาชาติเกียรติยศชื่อเสียงใช่ทรัพย์สมบัติที่ถาวรไหมเป็นสมบัติชั่วคราวบุตรภรรยาสามีใช่ทรัพย์สมบัติที่ถาวรไหมไม่ใช่เป็นสมบัติชั่วครา ว, ราารา ว, ว, าวกลับไปแล้วกล้าบอกเขาตรงๆไหมคุณเนี่ยไม่ใช่สมบัติตงชั้นที่แท้จริงเราใช่ไหมเป็นสมบัติชั่วคราวบางคราวฉันยังไม่ได้ตายไปแต่คุณก็ไปเป็นอื่นแล้วบอกเห็น เป็นอย่างนี้จริงๆนะลูกก็เหมือนกันทรัพย์ก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันแต่สุจริตกรรมและทุจริตกรรมแหละเป็นทรัพย์ถาวรไหมตามส่งเสริมทุกอัตภาพที่เกิดตามเบียดเบียนทุกอัตภาพที่เกิดนี่เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงมีสุดจริตกรรมและทุจริตกรรมนั้นเป็นทรัพสมบัติที่ถาวรฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้จะเห็นเนาะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเนาะ จานั้นถ้าหากว่าจเจริญอุเบกขาได้ต่อไปเนี่ยเราจะไม่ยินดียินร้ายจะวางใจเป็นกลางได้ถึงได้ลาบเสื่อมลาบก็ไม่ยินดีนะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสารเสริญสุขทุกเนี่ยก็จะเข้าใจมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยยังไงอุฉลาดในเหตุปัจจัยนี่ไม่ใช่เฉยเมยนะเฉยมองนะเนี่ยถ้าเฉยเมยเป็นโมหะอ้าวเข้าใจได้ยังตอนนี้พรหมมิหาร พอจะเข้าใจชัดหรื อ, อยังชัดไหมสามารถเจริญได้ไหมอันนี้สามารถฝึกได้ใจใจเอา้าลองฝึกเจริญเมตตาให้ตัวเองสักพัก น, นั่งบอกไปแล้วนะว่าทำยังไงให้เมตตาเกิดเอาทำให้มีความรากักความปรารถนาดีความเอื้อทอนให้เกิดขึ้นน้อมจิตที่เป็นไปกับความเมตตาลองทั้งกตดูนะ เออเนี่ยความรักตัวเองที่เรามาเจริญกุศลทั้งหมดเหล่านี้เพราะเรารักตัวเองใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเรารักตัวเองใช่ไหมลองน้อมใจให้เกิดปรามโมทให้เกิดความล่าเริงผ่องใสเบิกบานนะเมื่อจิตเบิกบานจิตอาถรรพ์จิตล่าเริงแล้วก็นึกถึงคุณความดีที่ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะนึกถึงศีลที่เรารักษา แต่ละข้อแต่ละข้อนึกถึงกุศลที่เราได้กระทําทานกุศลศีลกุศลที่กระทามาเออขอกุศลเหล่านั้นจงเกลื้อหนุนกระแสชีวิตของข้าพเจ้าให้มีความสุขมากๆให้พ้นจากอันตรายนะกุศลที่ข้าพเจ้าทํามาทั้งหมดนั่นแหละด้วยอนุภาพของพระธรรมตรายที่ข้าพเจ้าเดินตามนั่นแหละ เดินตามร้อยบาทพระศาสดาจเจริญกุศลจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนอุดหนุนกระแสชีวิตของข้าพเจ้าให้พ้นจากเวรพัยอย่าได้มีอันตรายใดๆเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้นึกอย่างนี้นะเออตรงนี้ต้องนึกต้องวางใจให้สงบจริงๆนะ ลงประมวลกุศลประมวลความดีทั้งหลายที่เราทํามาทั้งหมดนี่ยนั่นแหละน้อมขอกุศลเหล่านั้นจงให้ผลแก่กระแสชีวิตของข้าพเจ้าให้ประสบความสําเร็จด้วยอํานาจของกุศลที่จเจริญมาทั้งหมดจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้กระแสชีวิตเดินตามคําสอนของพุทธเจ้า เรียกว่าพรหมรจริยะนี่แหละได้ประพฤติหรือได้ดำเนินกระแสชีวิตอันประเสริฐเข้าสู่มรรคาของพระชินเจ้าโดยสะดวกโดยพันด้วยเถิดเห็นึกอย่างงี้นะโยมเนี่ยวันนี้ที่เราทําดีมาจเจริญกุศลมาจากกุศลที่กระทํามาทั้งหมดเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอยากข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตฟองร้ายเบียนเวีย น, ยนซึ่งใครๆเลย แล้วก็จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้นึกอย่างนี้นะเมื่อแผ่เมตตาให้กับตัวเองจนจิตใจช่าชื่นล่าเริงแล้วให้น้อมเมตตาจิตนั้นเอาต้องแผ่เมตตาจิตให้พระสงฆ์ดูที่ที่เราเคารพมะนะขอให้พระสงฆ์ ด้วยอำนาจแห่งคุณของพระรัตนตรยัยด้วยอำนาจของคุณความดีที่ข้าพเจ้ากระทำมาทั้งหมดด้วยสภาพจิตที่ปลาโมดเออบอิ่มของข้าพเจ้าที่เป็นไปกับเมตตานี้ขอให้พระสงฆ์จงเป็นผู้มีความสุขเถิดขอให้พระสงฆ์อย่าได้มีเวรแก่การละกันเลยขอให้พระสงฆ์อย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตพองร้ายเบียดเบียนฉังกันละกันเลย ขอประสงค์่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยขอให้กระแสชีวิตของท่านมีความสุขกายสุขใจประพฤติพรหมจรรย์นในศาสนาของพระชินเจ้าเดินตามศีลสมาธิปัญญาสามารถประพฤติปฏิบัติจนสามารถพ้นจากวัฏทุกข์ในปัจจุบันพบโดยสะดวกโดยเร็วด้วยเถิดคิดอย่างนี้ คิดให้พระท่านประสบความสุขแล้วให้ใจเกิดความเอืบอิ่มจริงๆนะโยมเนี่ยให้เกิดความเอิบอิ่มมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแผ่เมตตาให้กับผสงฆ์ให้ท่านประสบความสําเร็จในชีวิตวถ้าหากว่าทําได้อย่างนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะสามารถแผ่ได้ เอาเดี๋ยวอุทิศ ส, ส่วนกุศลกันสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนะบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นจัดเราใด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 ส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายปลดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปรวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อ จนถึงบทอันกเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธินสาธุสาธุ